พรอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวผมกอนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นหน้าจอนะครับอาจารย์ครับกลับมาทุกสักการะผมสาธุท่อจรย์ครคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อที่พระอาจารย์มักจะพูดถึงอยู่บ่อยๆครับหยดน้ําบนใบบัวแล้วก็ถ้าเราทําตัวแบบ ใบบัวกับหยดน้ําได้ก็คงจะทุกน้อยลงนะครับอาจารย์วันนี้ก็เลยอยากเรียนถามว่าแล้วเราหยดน้ําบนใบบัวคืออะไรแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อให้บินความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ครับพระอาจารย์ครับขอบความเมตตาครับผมคือใบบัวก็เป็นเป็นจิตของพระอริยพะพระอาหันต์ผู้ปราศจากกิเลสปราศจากความโลภโกรนงความรักชัง กลัวหลงเป็นจิตที่วางเฉยต่อโลกธรรม ท, ที่ยังต้องสัมผัสรับรู้อยู่โลกธรรมก็คือสิ่งที่มีในโลกนี้ที่ทุกคนต้องสัมผัสรับรู้กันก็คือลาภยสศสารเสื่อสุขต่างตาจะหมวกเรื่อกายถ้าเป็นปูุ้ชนเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เวลาสัมผัสกับลาภยศสารเสริญสุขนี้ก็จะเกิด ความรัความช่างอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าเป็นการเจริญญาติยศสารเสริญสุกก็รักยินดีชอบแต่ถ้าไปเจอกับความเสือ่อมทางญาตยศสารเสริญสุกก็จะยินร้ายไม่พอใจเสียใจเศร้าใจคือจิตยังไม่สามารถอยู่เหนือโลกธรรมได้คือไม่ไม่ถูกโลกธรรม ทำทารุณกรรมไม่ไดแต่สําหรับพระอรหันต์พระที่จิตปลอยส่วนห้าในจิตของท่านปราศจากความรักชั่งกลัวหลงกับทุกเสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้เพราท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เห็นแล้วด้วยตายว่าตายแล้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเป็นอริจรรจ์ไม่เทียม ถ้าไปยินดีเวลามันมันไม่เที่ยงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปคิดว่ามันเป็นสุขแต่พอมันเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเปลี่ยนจากการจะเรามาเป็นการเสือ่อมใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ารู้ทันว่ามันจะต้องเสือ่อมมันจะต้องหมดก็เลยไม่ไปยินดีไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วย รับรู้เฉยๆแต่ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่รับรู้ใจก็จะไม่ทุกข์กับโลกธรรมแปดที่มีการเจริญเสื่อไปเป็นภาวะของโลกใจของบราหันนี่จะรู้สึกเฉยๆเวลาใครให้เงินทองมาก็เฉยๆไปเวลาเอาเงินทองไปบระจากก็รู้สึกเฉยๆ มืนไม่ได้ไม่เสียรับไว้ก็รับไว้ตามมารยะให้ไปก็ให้โดยความเมตตาอันนี้มันใจของท่า น, นก็จะรู้สึกเฉยเฉยยศตําแหน่งก็เหมือนกันใครตั้งไม่เป็นอะไรก็เฉยเฉยไมไ่มีความไม่ได้มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เมื่อไงเพราะสิ่งที่ใจนี้มันมีความสุขเหนียวกับความสุขทั้งปวด ชายของพระหลานที่ท่านในความสุขที่เกิดจากความสมุกที่เท้าอ่อที่เป็นความสุขที่เหาความสุขทั้งปวกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาทําให้ใจนั้นมีคว า, ามาสุขมากกว่าที่ท่านมีอยู่ได้เห ม, มือนเศรษฐีมหาเศรษฐีเมื่อก่นมีเนคนเอาเองินบรจาคมาให้ล้านสองล้านนี่เขาเรู้สึเฉยๆมหาเศรษฐีที่มีหมืนล้านแสนล้านนี่ก็ ก็สุดเฉยๆกไม่ได้เป็นยินดีกับเงินเท่านั้นแที่คนให้มาอันใดพระอรหันต์ใจของท่านก็เป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้ยินดีกับราบยศ ส, รรสรรรยารเสินเลยความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาท่านเป็นแบบสักวัดสักแต่ว่าโลสัมผัสอะไรก็สักแต่ว่าโลไม่มีกเกลื่อนมาหลอกให้ปุ๊บแต่ว่าิเศษท่านเก่น ด, ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่มี ให้ความสุขกับท่านดบบนั้นอย่างนี้ไม่มีเพราะมันรู้เมาด้วยปัญญาว่ามนันทุกข์มันไม่ใช่ปความสุขความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวได้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปพอหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความเสียใจใจของท่านก็อะไรเป็นเหมือนใบบัวเวลาหยดนหน้ามาแตะนี่มันจะ กิ้งไปกิ้มามันไม่ซึม้าไปในใบบัวอ่า น, นี้แต่ถ้าใจปุทุชนนี่เป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึมแล้วกระดาษที่ชิวที่ชิวเนี่ยพอโยนน้าประโยชน์ดเดียวนี่มันเหมันกินเหมือนเกินกันเป็นเนื้อเดียวเลย น, นั่นแหะคือใจของพุทธชนจะโดดราดยศสรรเสริญสุขขึ้นมาทันทีเะลาได้ราบยศสรรเสริเนี่โอดีใจเลี้ยงฉลองกันเจดวันเจ็ดคืน ถ้าเวลาสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายนี่เกิดใจของพุทธชนที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมที่ยังไม่ได้กำจัดความรักชาโคลมให้หมดไปจากใจแต่ถ้าได้ฝึกหัดได้ปฏิบัติจลอดสติสมาธิปัญญาใจก็จะสามารถตั้งอยู่ในอุเบกขาตั้งอยู่ในความ ปราศจากความรักชังควรหลงได้อันนั้นคือที่ตั้งแท้จริงของใจเันที่ตั้งที่ปลอดภัยง่ายๆการปฏิบัตินี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกเพียงแต่ขยับใจให้มันเข้าไปอยู่ที่ที่มันควรจะอยู่แล้วมันอยู่ที่อูเบคาที่ที่ไม่ไม่มีความรักชังกลัวลวงถ้าออกจากอูเบขาป้มันจะน่ามีความรักชังควรหลงทันที หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือพยายามดึงใจให้กลับเข้าไปตั้งอยู่ในอุเบกขาขั้นต้นก็ใช้สติสติก็จะช่วยเอาใจให้เข้าไปอยู่ในอุเบกขาใ้ช่วงคราวก่อนเมื่อเข้าไปอยู่ในอุเบกขาแล้วเห็นคุณประโยชน์ของการจิตตั้งอยู่ในอุเบกขาก็อาจจะมีความปรารถนาที่อยากให้มันอยู่ในอุเบกขาไปอย่างทาว อันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเวลาใจจะเคลื่อนออกพราะความรักหรือควา ม, วามชังก็ให้พิจารณาสิ่งที่ตอนเป็นรักเป็นชังว่าเป็นใจรักถ้าเราเป็นรักเราพิจารณาว่าไม่เทียเ่ยเอย่างนั้นก็หมดไปเพราะมันหมดไปใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้ามันไปเจอของที่เราไม่ชอบก็ต้องถอนใจว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราไป แต่บังคับมันให้มันไม่เกิดกับเราไม่ได้เช่นความเสื่อมทั้งหลายความเสื่อมทางร่างยอดเสื่อมสุดหรือความเสื่อมทางร่างกายในร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายว่าถ้าพิจารณาว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอนัตตาที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครเ ป, เป็นธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศ ที่ต อ, ตอนนี้ทางภาคเหนือภาคอีสานนี่น้ําท่วมมันใหญ่มาโผล่มามีใครอยากให้รับช่วมไหมไม่มีพราะเราห้ามมันไม่ได้เราจะไม่ค่อยทุกกับมันเท่าไหร่พอเราทําใจทําใจรับกับมันอยอมรับกับเหตุการณ์ที่ที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อย่างใดใจของผู้ที่มีปัญญาก็จะพิจารณาอสิ่งทั้งหลายที่มัน ที่ไม่ยินดีว่าเป็นสิ่งที่ห้ามมันไม่ได้มันจะต้องเกิดแล้วสิ่งที่ยินดีก็พิจารณาว่าไม่เที่ยมอยี่ยไมันก็หมดเมื่อเห็นทั้งสิ่งที่ยินดีแล้วไม่ยินดีว่าจะทําให้ใจทุกข์ก็หยุดความยินดีความไม่ยินดีทําใจให้เป็นอุเบกขาถ้ามันเห็นด้วยด้วยตายละมันกับมันเห็นตายละมันก็จะดึงใจให้กลับเข้าสู่อุเบกขาที่ทํา ที่ตั้งที่ปลอดภัยลุงต้นต้องฝึกสติก่อนแลก็ดึงใจให้เข้าไปในโอเบขาแล้วพอใจจะออกจากโอเบขาขั้นต่อไปก็สอนใจให้ใช่ด้วยปัญญาว่าถ้าไปรักไปชังไปกลัวไปหลมจะทุกขนะ์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวไปกับสิ่งตา่างๆที่มีในโลกนี้ว่าสิ่งต่ตางๆมีในโลกนี้มันเป็นของชั่วขา้าว นี่เป็นของที่เราควบคุณบังคับไม่ได้นี่คือแนวทางของการปฏิบัติ ใ, ใจเองเราก็คนมีจุดที่เราสามารถอยู่ได้อย่างสบายเฮ้ยจุดที่เรียกว่าโอเวคค า, าเราเรียกว่าจุดใจที่สงบเฮ้ยถ้าเป็นภาษาฌานก็เพาเราอยู่ในตแต่ระดับฌานสี่ขึ้นไปเป็นจุดที่ใจจะต่อสัจความรักชงังกลัว พระอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ใบบัวเนี่ยสัมผัสได้ถึงบทหยดน้ําอยู่ไหมครับคือความรู้สึกยังมีอยู่ใช่ไหยก็ <c oughs> มีมีอยู่แต่มันไม่ยินดียิไยนไล่อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อย่างรู้ข<ค>ายอะไรขายอะไรมาก็รู้ว่ามันเป็นของถ้าพูดตามภาษาเสมอก็รู้ว่าของนี้ดีของนี้ไม่ดีนะครับแต่ไม่ไปยินดีกับมันเหมือนเมื่อก่อนเลยครับผม แล้วกขาไม่ด <S suc benefits> <S mala hea> <s hab> ีก็ไม่ยินร้ายก็เฉยเฉยเฉยทั้งสองอย่างให้เงินมาก็เฉยใครมาเถืงนี่ก็เฉยถ้ามีก็ให้เข้าไปนะถ้าเป็นที่เขาก็มาเถืองก็ให้เขาไปท้านโดนโดนขโมยขโมยเงินไปหมดก็เฉยไม่ได้ยินด้วใจกับการบับการมาหรือไปของของโลกกระทําตั้งแต่ แต่กย็ยังรู้ว่ายังรู้ดำภาษาสมมติว่าการทํามีค่ามีประโยชน์ะยมงไวก็ดีเอาไปใช้ประโยชน์ได้ผมแต่ไม่ได้ไประหยัดมีถ้าไม่มีก็ไม่เดืนอนน้อนถ้ามีก็เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์กับตนเองประโยชน์กับผู้อื่นเพราะตนเองนี้มีประโยชน์แต่สมบมูรณ์นะในใจของของผู้ที่มีอุเบกขาเป็นเปนนี่ยมนะนี้จะมีประโยชน์เป็นเปี่ยมแล้วไม่ขาดพอมอะไรแล้ว นันทําอะไรหรืออะไรก็เป็นกิริยาไปหมดทั่ไม่มีความสุขใจหรือทุกข์ใจกับการกระทําต่างๆแต่ในคำพูดหลวงตาท่านมักจะพูดว่าใครทําอะไรถวายข้าวหอมมาท่าพอใจพอใจพอใจพอใจคือไม่ได้ดีใจไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจใจน่านพอใจอยู่ตลอดเวลาครับผมใครขโมยอะไรไปก็พอใจ อะไรด่าอะไรก็พอใจใครชมก็พอใจพอใจกับทุกกรณีอ๋อครับผมเคยด้ยินอยู่ครับเวลาใครไปถวายหลวงตาท่านก็จะพอใจพอใจถ้าไม่ได้พูดดีใจหรือเสียใจอันนั้นเป็นภาษาช่างทางโลกนะใครมาอวยพรตอนเกิดโอดีใจยิ้มแป้มใครมาด่าหน่อยก็มโกรธเสียใจแต่ใจของพระลานนี่ท่านเฉย ใครก็เลยมูจะใช้ภาษาสมมุติไว้มาใช้ก็ภาษาสมมติเราพอใจไม่ดีใจไม่เสียใจแต่พอใจอาจารย์ครับแล้วสภาวะพอใจหรือใบบัวอย่างนี้ก็คือมันเป็นเรื่องเดียวกันระหว่างคนที่อยู่ในฌานสี่กับคนที่บรรลุด้วยปัญญาแล้วคือความรู้สึกเดียวกันเลยไหมครับอาจารย์ครับอันเดียวกันแต่เพแต่ฌานสีมันอยู่เฉพาะเวลาเข้าไปนะเวลาออกมามัญจะหาไปนั่นแหละ ม, มันจะออกมาจะอูเบกฐาด้วยเวลาออจักรชานสีอ๋อ oh. งนเวลาที่อยากจะให้มันอยู่ชานสีตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าชานก็คือต้องใช้ปัญญาครับผมนำน้นตัวที่ยันนึงให้ให้ใจออกไปสู่ออกจากชานสีไปก็คือความหลงที่ไปคิดว่าสิ่ง น, นั้นดีสิ่ง น, นี้ไม่ดีแล้วก็จะเกิดความลกความชั่งเกิดขึ้นมา ก็พิจารณาว่าทุกอย่างมันวาสิ่งที่ดีมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นขางที่เราห้ามไม่ได้ครับครับผมกลับกับพระครูท่านพระอาจารย์ครับพอจะเข้าใจมากขึ้นเป็นแนวทางแล้วครับผ ม, มเดี๋ยวผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากคุณพีโกครับเรียนถามพระาอาจารย์อริยสัจสี่เรารู้จักเป็นสัญญาท่องจําแต่ไม่เข้าใจ ประยุกใช้ในชีวิตอย่างไรกราบขอบพระคุณครับก็ทุกใจของเราเนี่ยเวลาเราไม่สบายใจเนี่ยนี่คืออริยสัจข้อแรกนะครับเช่นวันนี้โดนโดนคนด่าเนี่ยคนดาเนี่เราก็ไม่สบายใจนะนี่เราก็ต้องพิจารณาถ้าเราพิจารณาได้ปัญญาว่า ท ำ, ทำตามหลักของอริยสัจความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากเราแล้วเราอยากอะไรนะแล้วก็อยากไม่ให้เขาด่าเราใช่ไหมเราก็เลยไม่สบายใจไม่พอใจแต่ถ้าเราอยากใหเขาด่าเราเราจะเราก็จะเกิดความพอใจใช่ไหมถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะพอใจถ้าเราไปอยากในสิ่งที่เราไม่อยากได้เราก็ไม่พอใจเราก็เสียใจไม่สบายใจ ถ้าเราไม่อยากจะไม่สบายใจเราก็ต้องมีสองอย่างคือเปลี่ยนจากความอยากไม่ให้เขาด่าเราเป็นการความอยากให้เขาด่าเราก็ได้ถ้าเขาอยากให้เขด่าเราได้ไมันก็สบายใจ ad ad ad ol, วเวลาใครด่าเราเราก็สบายใจแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากที่ไม่ให้เขาด่าเราหรือต้องทำใจให้เป็นโอเบคขาทาใจเฉย ซึ่งถ้าเราไม่ฝึกสติแล้วก็จะทําใจไม่ได้ครับ <c oughs> ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆถึงแม้ไม่ได้เข้าฌานกต่เวลาเราไม่สบายใจขึ้นมาเราก็ใช้สติทําพุทโธพุทโธพุทโธไปเราก็จะเลืมเรื่องคนที่ทําให้เราไม่ไม่สบายใจเลือนเรื่องที่เขาด่าเราพอเราเลือเรื่องที่เขาด่าเราใจเราก็หายทุกข์ใจกัายเป็นการหาชั่วเราเพราะว่าถ้าเรา กลับไปคิดใหม่มันก็ทุกข์ใจขึ้นมาใหม่เขาด่าตั้งแต่เมื่อเช้าบางทีตอนเย็นไปนึกถึงมันยังไม่สบายใจไม่พอใจนะนั้นสตินี่ระ ง, งับได้ชั่วคราวระงับใจของเราไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เขาด่าเราแต่ถ้าอยากจะระ ง, งับให้มันหายไปอยากเท้าว่าก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเราห้ามคนได้หรือเปล่าความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาอัตตา ม, มายถึงว่าอยู่ภายใต้คําสั่งของเราหรือเปล นั่นเป็นลัตษณไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราถ้าก็ไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเราก็าไม่ห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็ห้ามใจเราได้ด้วยการยอมรับว่าเราต้องอยู่แบบเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในโลกนี้มีสรรเสริญก็มีดินทาเป็นของคู่กันจะเรลิกเอาแต่รสรรเสริญอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันดีกันดีคนเดียวกันที่ชมเราก็กรรบมดาเราได้ถ้าเขาไม่ขอใจเราไม่เห็นใจ แต่เราถ้าเรารู้ทันว่มันเป็นธรรมดาเป็นเหมือนฝนตกแดเอากแล้วก็ทําใจไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะต้องด่ากูแน่ๆไม่คอย่างนี้ไว้เอแค่นี้นะพอเขาด่าเราเราก็รู้ทันนะรู้ว่ามันต้อง ด, าด่าก็เลยเฉยๆไปเรารู้ว่าห้าม ม, าามันไม่ได้ร่วมห้ามไม่ให้เขาด่าเราไม่ได้ไม่จะด่าก็ปล่อยเขาด่าดไปใจเราอย่าไปเดือดร้อนกับคำ ด, าดค่าเขาก็มันก็ไม่มีปัญหา อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาต่อไปเราก็ยังไม่ไม่มีความทุกข์กับคํำคำละหานินทานดู ด, ด่าของใครอย่างในโซเชียลเนี่ยปิดดูเขาด่ายัางไงก็เป็นธรรมดาไม่ท่านของไม่ได้เขาชมก็เป็นธรรมดามัเป็นของคู่กันถ้านก็ชอบเราเขาก็ชมเราท่านเขาไม่ชอบเราเขาก็แล้ก็มีท่านนั้นเราต้อง ยอมรับความเป็นจริงแล้วว่าใจเราจะได้ไม่เลือกที่รักมักที่ชันงอันนี้ก็ใช้ปัญญาดูสิขั้นตอนก็ใช้สติเพราะปัญญามันค่อนข้างจะซับซ้อนอาจจะยากต่อความเข้าใจแต่สติมันง่ายที่สุดเท่ท่องพุโทโธพุทธไปหรือสวดอ e ิติปิโสไปหรือสวดบทแทนไม่ตาไปสัพเพสัตราเวลานอนตกสัพเพสัพเวลานนตก เราอย่าไปมีเวรกับเขานะเป็นสัตว์ตาไม่ไปโกรธเข้าไม่ไปเกียดเข้าเขาไปอย่างนี้มันก็จะทําให้เรานั้นบความเสียใจยได้ชั่วคราวแต่พอไปนึกถึงนีกมันก็เกิดความเสียใจยได้ถ้าไม่ยากให้ความเสียใจยแล้วพิจารณาว่าเป็นปัญญาว่าด้วยปัญญาว่ามันเป็นธรรมดาสัรเซินทานมีอยู่มาครับมันมาเป็นคู่กันมันเป็นเพื่อนกัน เป็นตาแฝถ้าไปยินดีกับสารเสริญเดี๋ยวว่าต้องเจอหนินทาจะเสียใจกับคำหนินทาถ้าไม่ไปยินดีกับคำสารเสริญก็ยังไม่เสียใจกับคำหนินทาครับผมทาช่องยูทูบนี้โดนเยอะเลยครับอาก<ช> <c oughs> ย์อย่าไปอ่านดิเราไม่เคยอ่านเลย <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยก็การเม้นต่างๆเนี่ยเราไม่เคยเสียเวลาไปอ่านเลยที่เกเราไม่เราไม่ได้ทําหน้าที่มีเพื่อมารับ ดูว่าคนชมและคนดา่าอะไรค่นั้นมันมีหน้าที่เพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้นให้เสร็จแล้วก็จบไม่เคยกลับไปดูคำว่นดูยอดเท่าไหร่คนดูเท่าไหร่ก็นา น, นก็อาจจะเช็คดูทีว่ามันเป็นยังไงะไรแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้ไปสนใจใมันใครจะชมใครจะดา่าก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะครับ ถือว่าเราทำประโยชน์าคิดว่าเราเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วบ้างเหมาของเราก็ทําประโยชน์ให้กับเขาเราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะจากเขาจากเขาเลยครับผมครับนี่เขาจะรับประโยชน์ได้เลยไม่ได้เป็นก็เป็นเรื่องบุญกรรมรบางทีสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจากอาจจะก็อาจาอาจะมองว่าเป็นโทษกับเขานะงั้นเราพูดไปก็น<ๆ>่ายแต่แหนก็เลือกไปไปว่าเขาหนยที่บางที่เราไม่ไม่รู้จักเขาไม่ตั้งใจหรือว่าแต่พูดธรรมทา<ๆ>มหลักความเป็นจริง เมันไม่ตรงกับเรื่องของเขาเข้าเขาก็อาจจะไม่พอใจนะครับคุณประชาครับขันติบา ร, รมีเมตตาอุเบกขาในการใช้ชีวิตประจําวันควรเริ่มฝึกบา ร, รมีใดก่อนดีครับคือทั้งสามมันเนี่ยมันมาจากอุเบกขาบา ร, รมีเป็นหลัถ้ามีอุเบกขาบา ร, รมีแล้วมันก็จะแผ่เมตตาได้ง่าย มันก็จะมีความอดทนบดกลันมันจะเฉยๆใครดูใครด่าใครทำนิยติเตีนใครทําร้ายเราแล้วก็ถ้าม่มีเบขานี่เราเฉยได้แล้วถ้าเรามีเบขานี่เรามีความสุขเราก็แบ่งความสุขให้กับผู้อื่น ด, ด้วยความเมตตามีอะไรที่เราเหนือกินเหนือใช้ที่เราเห็นว่าเขาทุกข์ยากเหนื่อรนอนแล้วเขาจะได้รับความสุขจากสิ่งที่เราเหนือกินเหนือใช้แล้วก็แบ่งให้เขาไป ยนี่ทางทาปฏิบัติมันต้องไปที่อุเบกขาแต่ถ้ายังไปไม่ถึงองุเบกขาก็ ต, ต้องฝืนมา้ำให้แผ่เมตตาให้มีผ่าเมตา <c oughs> ตาคือให้เป็นคนที่เเป็นห็นทุกคนว่าเป็นเิตรเห็นใครอย่าไปเห็นว่าเขาเป็นสัตว์ตัวเราเราคิดว่าเป็นเพื่อนเก่า แ, แก่เจ็บตายด้วยกัน <c oughs> เป็นเพื่อนเดินทางในโลกนี้เพื่อนที่ขึ้นเครืงบินนี้ที่จะตบด้วยกันเค่องบินลำที่แร้วนนี้จะตบด้วยกัน เราตายด้วยกันหมดพร้อมกันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะนมาเกียดชังกันครับ <Yeah. S 1> คิดอย่างนี้มาที่เร า, าเกิดมาอยู่บนเครื่องบินลาเดียวกันที่จะต้งตกเดี๋ยวถึงเวลามัไม่จะต้องตกคนพูดในสารที่อยู่ในเครื่องนี้ก็ตายหมด <Yeah. S 1> คนทุกคนที่อยู่ในรโลกนี้เดี๋ยวก็ตายหมดใช่ไม้ม <Yeah. S 1> เป็นเพราะเราไม่ตายพร้อมกันเราก็เลยลืมคิดแปลว่าจะไม่ตายหมดกันแต่ตายหมด ใครขึ้นเครื่องมาแล้วขึ้นเครื่องลำนี้แล้วต้องเครื่องนี้ต้องตกตายหมดทุกคนถ้าใครเกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้วต้องตายหมดทุกคนไม่มีใครไม่ตายเกิดก่อนเกิดหลังไม่เป็นไรตายก่อนตายหลังไม่ไม่เป็นไรไม่สําคัญแต่ตายแ น, น่ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้จะไปกดเขาเกลียดเขาทำไมใครมีเรื่องมีราวอะไรก็ทําไมความทุกข์ของแต่ละคนก็มีอยู่มากม า, กายกายกองเราไม่ต้องไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเขา อาสู้มันเทาความทุกข์ด้วยความเมตตาเราไม่ดีกว่าในขณะที่เรายังไม่ตายเร า, อ ย, ยารอยู่ด้วยกันอยู่ด้ยกัอย่างมีความสุขไม่ดีกว่าดีกว่าอยู่กันแล้วจัดกันทะเลาะกันแก่แยกชินดีกับ น, น, นั่นคือหลการแผ่เมตตาถ้าเรายังไม่มอยู่เบิกขามางกรณีเราก็ต้องใช้หลักปัญญาสอนใจเลยแต่คันเตนี่มันต้องมีอยู่เบิกขา แล้วก็มีเมตถ้ามีเมตตา ม, มันก็มีขันตินะถ้าเร า, าพอเป็นเมตเราก็ไม่ถือโทษกดเคืองล้าเขาจะทำอะไรเราแล้ ว, ลวก็เฉยๆไปไม่เอาเรื่องของเราแต่ขันตินี้ถ้ามีระเบิขันนี้มันก็จะเฉยได้กับทุกกรณีไม่ว่าจะมีอะไรที่จะมากระทบกระท่างใจใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อ น, น, อนจะอดทรนรับกับทุกกรณีได้ คุณนิดครับวันนี้เข้าไปขอรับหนังสือพระอาจารย์ทันค่ะแต่วันนี้ตอนเย็นได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านว่าคนที่บ้านเป็นมะเร็งกระดูกระยะลุกลามช็อกมากค่ะสติหลุดมากทําใจไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำํำเลยครับแลนยเพิ่งเมื่อกี้พื่พื่นเพื่อนพพู ด, พ ด, พ ด, พดประโยบๆว่าคนเร า, าทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายทุกคนไม่มีใครยกเว้นทั้งเราด้วยเราลืมไปว่าเราก็จะเป็นเหมือนเขาถ้าเราไปชอบทําไม ทุกคนนี้เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนครับนี่พอเราประมาทเราไม่เคยคิดกันไม่เคยไม่เคยเปลี่นใจสอนใจเราลืมลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันพอ เ, เจอเหตุการณ์รนี้ขึ้นมาเราก็ช็อกขึ้นมาทําใจไม่ได้เพราะเราไม่ฝึกทําใจไม่ร่วงหน้าครับเพราะเราไม่กล้าคนเรานี่ไม่กล้าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเพราะกลัวว่าจะ เหมือนกับแช่งตัวเองให้แก่ให้เจ็บให้ตาย ท, าทันทีแต่ความจริงการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นการจเจริญปัญญาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเป็นถ้ามันพูดตามาภาษาแพทย์ก็เหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนเวลาฉีดวัคซีนแล้วต้องเจ็บใช่ไหมท่านก็มีผลข้างเคียงนิดหน่อยแต่มันเมื่อมันมีภูมิแล้วมันปลอดภัยแล้วเวลา เจอโรคผ่านแค่เจ็บมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ใ น, นความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็เป็นเหมือนโลกนะี่ยที่จะทําให้เราชอบได้เวลาที่เราไปสัมผัสมันโดยที่เราไม่มีภูมคุ้มกันแต่ถ้าเราเหมัอนพิจารณาอยู่เรื่อยๆเรื่องมาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเยซึ่งบางทีตอนที่เราพิจารณาใหม่ๆเราก็อาจจะขดหูใจใช่ไหมเพราะเราไม่ชอบเรื่องราวเหล่า น, นี้กัน เราไม่ชอบความแก่กันเราไม่ชาบความเจ็บไข้ได้ผลเราไม่ชอบความตายกันมันก็เหมือนฉีดยาะฉีดวัคซีนเราก็ไม่อยากจะเจอผลข้างเคยียงแต่เมื่อมันเปรียบเทียบกับผ ล, ผลได้ผลเสียแล้วมันก็ต้องยอมรับว่าฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายอมรับว่าการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอย่างแนวๆคิดอยู่บ่อยๆเตือนสติเราอยู่บ่อยๆใหม่ๆม่อาจจะรู้สึกไม่สบายใจกัวใจ การที่เราพิจารณาบ่อยๆเข้าพอมันชินแล้วมันก็จะรู้สึกเฉยๆแล้วพอเวลาเราเจอเหตุการณ์จริงเราก็จะได้ไม่ชอบตายไม่ชอบไม่เราก็จะทําใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนการพิจารณาเพื่อให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอจะเหตุการณ์จริงราจะได้รู้สึกเฉยๆ นี่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เพราะนี่ขนาไม่ได้เป็นเรื่องของเราเองนะเป็นเรื่องของคนคนอื่นนะยังเป็นขณะ น, นี้ถ้าเป็นเราขึ้นมาจะเป็นยังไงบ้างถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกคณเป็นมะเร็งระยะสามนะทำได้ก็คือผ่าตัดฉายแสงคีโมแล้วก็ไม่รับประกันว่าจะอยู่ได้กี่ปีตันนั้นนะ่ะหรืว่จะทำยังไงถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน แต่ถ้ามันเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนี้พอรุ้นสิมันจะเปล่นก็โอเคเรไม่สองทางเลือกรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ในเมื่อผลลัพมันออกมามันเท่ากันคือตายเนี่ตายช้าตายตายตายช้าตายเร็วถ้าตายช้ า, า จ, จะทรามานกับการรักษาถ้าตายเร็วไม่รักษามันก็ตายเร็วแต่มันก็ตายเหมือนกันอันนี้เราก็พิจารณาไว้ข้างหน้าก่อก็ได้ พอถึงเวลาเรได้ตัดสินใจถึงว่าจะทำยังไงดีราแบบตายช้าม่นจะ ต, ต้องทรมานทนกับการรักษาหรือตายเร็วก็คือไม่ต้องรักษาอยู่กับปล่อยให้มันกัดกินร่างกายไปแต่มันต้องตายด้วยกันทุกคนในที่สุดเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาถามแม่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่อยากให้หน้าทรมาน ก็เราไม่อยากจะให้หมอใช้เจาะคอหรือทำอะไรใช้เครื่องอะไระต่างๆก็มาถามว่าทำอย่างนี้บาปไหมไม่บาปแล้รักษาตามธรรมชาติตามคาารไปก็สมัยก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องเจาะคอไม่มีเครื่องช่วยเต้นหัวใจอะไรนะก็ไม่บาปหรอกรักษาไปตามอาการมียา ก, กินได้ก็กินไปกินไม่ได้ก็มนกันเอาไป อาหารกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองไม่บาปรักษาแบบนี้มันไม่ทรมานอาจจะไม่กี่วันมันก็ไปถ้ารักษาก็อยู่กัได้อีกหลายเดือนหรือปีก็ได้แต่ต้องเป็นเหมือนเจ้าชายนิทรานอนอยู่เตียงแห้เข้ามาคอยหยอดเข้าต้มหยอดอาหารผ่านทางสายยางอย่ายังไงดี แต่ถ้าใจไม่มีอวัยวขามันก็เลือกไม่ได้ทักทางใช่ครับแต่ถ้าฝึกสติฝึกสมาธิแล้วใจมีมอวัยวขาแล้วมาพิจารณามันก็จะเลือกได้เยือกยังเลือกทางสั้นที่สุดทางที่ธรรมานน้อยที่สุดใครจะเลือกทางที่ธรมานมากครับเพราั้นพยายามฝึกสติฝึกสมาธิกันให้มากๆนแล้วเราก็จะทําใจได้ ง่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีวินยัยการนี่ทำใจไม่ได้เพราะกิเลสมันจะมาคอยให้เราละหรือชั่ลัวดหรืออะไรต่างๆตลอดเลยนครับจนไม่ไม่รู้รรจะทำยังไงตัดสินใจไม่ได้คุณพัดครับขอถามพระอาจารย์สองคำถามนะคะคำถามแรกคือเราทำบุญสร้างบา ร, รมีไปเพื่ออะไรคะก็ คือบุญก็เป็นความสุขใจ เ, เป็นอาหารใจคือยังไงถ้าเราทําบุญมากแล้วบ้ามีอาหารหล่อเลี้ยงใจออกมาเมื่อใจเรามีอาหารหล่อเลี้ยงใจเราก็อิ่มใจลราก็สุขถ้าเราไม่ทําบุญใจเราก็ไม่สุขใจแเราก็หิวโหยคาถามที่สองครับเราทําดีควรตั้งเป้าหมายของการทําดีไหมคะหรือทําดีเพื่อดีก็พอคะทําดีเพื่อใจเรา ทำดีเพื่อให้ใจเรามีความสุขเพราะกฎแห่งกรรมนี้มันเกี่ยวข้องกับใจเราโดยตรงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเรือเรื่องของตําแหน่งราภยศสรรเสริญแต่คนเราเข้าใจผิดเองว่าทําความดีแล้วจะต้องได้รับความเจริญทางราภยศสรรเสริญสุดแต่ไม่แน่นอนใช่มบางคนทำความดีแทบตายไม่ไม่ได้รับเรื่องการเรื่องตำแหน่ง แต่คนที่ไม่ได้ทำความดีทําความไม่ดีกลับได้รับเรื่องขั้นเรื่องต่างก็มีเอะยะไปถ้าเราไป ม, มองผลที่เกิดจากการทำความดีว่าจะต้องได้เรื่องขั้นเรื่องต่างๆจะนั่งนั่โดยนี้เราก็จะผิดว่าแต่ถ้าเรามองที่ใจนะ ว, ว่าเวลาทำความดีนี่ใจเรามีความสุขว่าเราทําประโยชน์ให้กับผู้ความดีก็คือความหมายของความความดีก็คือคากอารกระทําที่ไม่เป็นโทษแก่ผู้ แต่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นสุขแก่ผู้นนี้เรว่าเป็น ก, การกระทําความดีเมื่อทําความดีแล้วเราไม่ต้องไปหวังอะไรจากผู้ที่รับจากการกระทําความดีของเราอันนั้นถ้าหวังก็แสดงว่าไม่ได้เป็นการทําความดีเรียกว่าเป็นการซื้อขายกันแลกเปลี่ยนครับอย่างนี้ก็จะไม่ได้จะไม่ได้ความสุขใจอิ่ใจแต่ถ้าเราทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับ เราจะมีความสุขใจมีความอิ่ใจขึ้นนี่แหละคือกฎแห่งกรรมอยู่ตรงที่ตรงนี้อยู่ที่ใจใจเป็นผู้กระทำและใจเป็นผู้รับผลของการทําไม่ว่าดีหรือไม่ดีทําให้ดีเราใจก็จะทุกข์ขึ้นมาล้วเราไปทำร้ายผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้ไปทําให้ผู้อื่นก้าวเสียหายเกิดรเราจะไม่สบายใจนั่นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการทําดีทํำชั่วนี้ มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเพลงอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องทางร่างกายเรื่องทางธาตุรัศมีรัศมีทีนี้ น, นี้มันอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผลที่ไปถึงได้แต่มันไม่เสมอไปและอาจจะชาด้วยเลยตามเวลาตามทันไปด้วยดังนั้นอย่าไปมองที่ผมที่เกิดทางร่างกายทางธาตุรัศมสรนสุนสีให้มองที่ใจของเราเวลาเราทำความดีเราจะรู้สึกสบายใจในครับสุใจ เวลาทำไม่ดีแลาจะรู้สึกไม่สบายใจเช่นเราไปโกหกใครหรือเราไปกองใครไปกลัดแกล้งใครนี่เราจะไม่สบายใจครับคุณสุทธาธิพย์ครับควรปลอบใจคนไข้ อ, อกหักในแง่ทางธรรมะอย่างไรดีคะก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนยมีเกิดมีดับมีมามีไป คนที่อยู่กับเราวันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปจากไปโดยที่เราพร้อมหรือไม่พร้อมท่านั้นเองแล้วก็จากไปตามที่เราพร้อมเราก็ดีใจนะถ้าเราเบเื่อเขาแล้วอย่างนี้แล้วเขาไปนี่เราก็ไม่ อ, อกหักนีเรากับดีใจอย่างนี้ถ้าอยากจะให้เราไม่ อ, อกหักเวลาใครจากเราไปก็ต้องคิดว่ามองความความเชื่อของเขาหนึ่งเราเออดีแล้วออนะไปก็ดีอยู่แล้วสร้างปัญหาให้ครยเยอะแยะไม่หมดเช่นนี้มันก็ไม่ อ, อกหัก แต่ถ้าไปมองความดีของเขาเวลาเขาจากออกไปเราก็จะเสียใจอกขาดอย่างนัถ้าเขาอยากจะแก้ความอกขาดก็ลองค้นหาด้านที่ไม่ดีของเขาว่ามีหรือไม่คเพมันต้องมีหน่อยด้านที่ไม่ดีเขาก็ต้องมีมากอย่างน้อยก็คี้บวนเนือดคอยมาคอยอะไรคอยสร้างความลำพใจให้ตอนนี้ไม่มีเขาแล้วสบัดใจไม่มีใครมาสร้างความลำพังใจให้เขา แล้วเราสอก็ให้คิดถึงส่วนที่ไม่ดีของเขามีไหมถ้ามีเราคิดดูไม่มีเขาก็ดีนะเราจะไดไ้ไม่ต้องมีเขาเราคอยมาสร้างความไม่สบายใจให้บสม่ถ้ามองไม่เห็นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติไปเป็นเรื่องที่เราห้ามบังคับไม่ได้เหมือนฝนตกแดดออกเราห้ามไม่ได้ถึงเวลาฝนมันจะตกมันก็ต้องตกเวลาแดดมันจะออกก็ต้อก ถึง เ, เวลาที่เขาจะต้องจากเาไปเขาต้องจากออกไปครับเราก็ต้องทอําใจยอมรับของความเป็จริงคุณกันนิกาครับหัดนั่งสมาธิมาสามเดือนกว่าแล้วค่ะหลังจากที่สูญเสียหลานสาววัยสี่ขวบไปอย่างกระทันหันยังฟุ้งมากอยู่เลยฟ้าอาจารย์พอมีอะไรแนะนําไหมครับก็ต้องเจริญสติฝึกสติให้มากๆกก่อนที่จะมาไเล่า การเจริญสติก็คือเพื่อเป้าหมายคือเพื่อให้เราหยุดความคิดต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องคิดตอน น, น, นี้เราคิดที่เรื่องจำเป็นยังไม่มากส่วนใหญ่เราจะไปคิดเรื่องเรื่องเพลย์เจอร์ทั้งหลายทั้งหลายหละวิตกวิจารณ์เรื่องราวต่างๆไปอย่าไปคิดนิ่งเรื่องราวนี้คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยการจเจริญสติมีหลายวิธีวิธีง่ายก็คือบริการพุโทโธพุโทโธไปในใจไม่ได้ออกเสียง คือถ้าเราคว่าเบื่อคําว่าพุโทโธคําเดียวก็ลอาเปลี่ยนเป็นพุนโ ท, ทโธธรรมโนสังโฆกันนะคือให้ยาหน่อยก็พุทธรรสารนกระชามนี้ธรรมลงสารนกระชามนี้ธ ร, รรมกลางสารนกระชามนี้จะต้องจะ ต, ต้องทำไปเรื่อยๆบ่อยๆนานๆไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆพอมันหยุดคิดแล้วก็หยุดบริกรรมได้แต่พอมันเริ่มคิดใหม่โดยที่เราไม่จําเป็นต้องคิดการหยุดใหม่ในการบริกรรมทํานี้ไปเรื่อยๆ แล้วเวล า, านั่งสมาธิใจจะไม่ฟุง้งเพราะเราจะมีคําบริกรรมคอยควบคุมความฟุม้ช า, า่านแต่ถ้าเราไม่ทําเลยพอมานั่งมันไม่มีกําลังมันคายขึ้นมาทั้งวันพเราอดีๆจะบอกให้มันหยุดคิดมันไม่หยุดทันทีเราต้องหัดหยุดมันก่อนที่เรามานั่งถ้าเรายังหยุดมันไม่ได้เวลามานั่งเราก็จะฟุ้งไปของเรื่องนั้นเรื่องนี้ คุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องการเข้าคอสฝึปฏิบัติ ธ, ธรรมค่ะเราควรเปลี่ยนที่เรียนสถานที่ไปเรื่อยๆหรือไม่คะที่ไปครั้งล่าสุดก็เอาความรู้มาใช้พัฒนาวิธีปฏิบัติเองที่บ้านเลยสงสัยว่าเราควรสแสวงหาไปเรื่อยๆหรือไม่ค ะ, ะไม่หรอกก็ถ้าเราห า, หาสถานที่ที่บอกวิธีนี้ถูกต้องที่เราสามารถนํามาปฏิบัติและเกิดผลได้ก็พอแนละ้วไม่ต้องไปหาอยู่เรื่อยเพราะยิ่งหามากบางทีมันสับสนนะ เพราะแต่ละสำนักนี้อาจจะมีวิธีต่างกันคือการฝึกสมาธินี่มีหลากหลายอุบายวิธีในการกรรมฐานสี่สิบนี่ก็เป็นเครื่องทำใจให้สงบบางแห่งอาจจะใช้พุทโธบางแห่งอาจจะใช้ยุบนอะพอมเนอะบางแห่งอาจใช้ก้าวเนอวางเ น, นาะอะไรมันมีหลายวิธีด้วยกันแต่เป้าหมายก็อันเดียวกันคือทําใจให้สงบเนี่ยเหนกันดันั้นถ้าเราไปที่ไหนแล้วเราคิดว่าเรามาใช้ได้ ได้ผลดีแล้วก็พอแล้วถ้ายังไม่ได้ผลอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้ไปที่นี่แล้ไม่ได้ผลง่ายก็ต้องไปเปลี่ยนที่แต่ถ้าเปลี่ยนเรื่อยๆไม่ได้ผลทั้งทีมันอาจอยู่ที่ตัวเราก็ได้เพราะตัวเราอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ท, ท, ที่เขาสอนจริงจังอย่างจริงจังก็เลยไม่ได้ผลใช่ไมงั้นมันก็ต้องวิเคราะห์หลายด้านด้วยกันทั้งตัวเราทั้งที่ที่เราไปศึกษาว่ามันผิดถูกอย่างไร คุณประชาครับถ้าพระอาจารย์บางท่านสอนธรรมะต่างไปจากที่เขียนในพระไตรปิฎกเราควรทําอย่างไรดีธรรมะแหล่งใดดีที่สุดครับเพราะหล่งดีที่สุดก็นในพระไตรปิฎกเราเามาก็จะธรรมะของพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายโดยเฉพาะพระที่ท่านตายไปแ ล, แลป้วก็หนุกขอท่านกายเป็นพระธาตุแสดงยื น, นยันว่าท่านเป็นพระมาดัางนั้นคําสอนท่านนี้จะไม่ผิดเพี้ยนจากหลักความเป็นจริง ดังนั้นก็มีสองแหล่งแหล่งที่ที่ที่เป็นดีที่สุดก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยสองคำสั่งคําสอนของพระปฏิสุปฏิปันโนทั้งหลาที่ได้รับการรับรองจากพระธาตุของท่านแล้วว่าท่านก็ท่านเป็นพราอรหันต์นะถึงแม้ท่านจะตายแล้วคําสอน ข, ของท่านที่มีการบันทึกไว้ก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ดได้ถ้าต่างจากในพระไตรปิฎกเราก็ต้อง เอาไปพิสูจน์อยู่บางทีมัอาจจะตางแต่มนอาจจะไม่ผิดก็ได้เพราถ้าตายผิดอกนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ที่จะรวบรวมวิธีการตาร่างๆให้ครบบริบูรณ์ซึ่งนักปฏิบัติมีเป็นหมื่นเป็นแสงเป็นล้านอาจจะค้นพบวิธีที่อุบาที่แตกต่างกันไปก็ไดแต่ก็สามารถทําใจให้เข้าสู่ความสงมบได้อันนี้ ก, ก็ก็เราไม่สามารถที่จะไปปฏิสเสธได้ทันที เรื่อยไปรับได้ทันทีอย่างที่พระพุทธเจ้าส อ, สอนในการละมั่นสุขอย่าไปเชื่อสิทประการอย่าไปเชื่อว่าเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์เราอย่าไปเชื่อว่าคนเขาเล่าเลยว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดพระเจ้าบอกว่าให้เอ า, เอาพิสูจน์ก่อนว่ามันมันจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อน เราอาจจะค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อหรื อ, รอปฏิเสธได้แต่เบื้องต้นอย่างเพิ่งไปปฏิเสธเอย่าเพิ่งไปเชื่อฟังหูวไว้หูพูดง่ายๆแล้วต้องมาพิสูจน์ก่นว่ามันสามารถที่จะมันเป็นไปตามที่เขาพูดจริงหรือไม่อย่างไรเราไปค้นหาในกรารตรวจสอบดูไม่ให้เชื่อสิธประกาศ น, นะครับเราจำไม่ก็ได้ตอนนี้แต่เดยสรุปก็คือไม่ให้ ไม่ให้ปฏิเสธไม่ให้เชื่อทันทีให้ฟังหูไหวหูหน้าจะเอาไปพิสูจน์กันอยาก็อกว่านี่เดาเลขเลขสองตัวนี้่ควรจะเชื่อไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อคุณไปซื้อถ้าคุณไปซื้อมันไม่ถูกคุณก็ขาดทุนถ้าวิธีวิธีที่พิสูจน์ก็อย่าพูดไปซื้อสิเราดูมันออกก่อนดวมันตรงไหมถ้าเขามันตรงมั่นไดใช้เขาบอกเนี่ยก็น่าจะทนรองได้แล้วใช่ไหม ถูกหรอกเนี่ยคนเราสมัยนี้ถูกเคอเซ็นเตอร์ลหลอกกันอย่างไม่รู้เรื่องรูราวเลยเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเล ย, เเลยถูกหลอกพอเืินให้เขาไปเลยไม่รู้เรื่องรูราวเลยเนี่ยพเพราะไม่มีการรามาสุดไม่มีการย้ำย้ำช่างตัวไม่มีการคิดอย่างรอบคอบพอเขาพูดอะไรก็เชื่ อ, อไปหมดเลยเชื่อว่าคน ท, นนนทําผิดกฎหมายแล้วด้นที่เรายังไม่รู้เรื่องอยู่หน่อยเนี่ยอยู่ดีเราทําผิดกฎหมาย แล้วก็จะช่วยให้เราไม่ผิดกฎหมายนะถ้าเราออนเงนได้มันก็เชื่อละโอ้โหมันไม่รู้มันคนไม่มีปัญญาทุกคนค่คุณแพทครับการลวัฒการพระอาจารย์ค่ะกาบเรียนถามทำในการนั่งท่าท่าในการนั่งสมาธิมีผลกับการปฏิบัติไหมคะสังเกตขณะฟังธรรมโดยนั่งพระเพียบหรือนั่งบนเก้าอี้สามารถเข้าถึงความสงบได้คะ่ะ ท่านั่งมันไม่ค่อยมีผลเท่ากับสติมากกว่าตัวสําคัญที่จะทําให้ใจสงบไม่สงบนี่อยู่ที่สติท่านั่งนี้มันก็มีส่วนในของการที่เวลาเราจะนั่งนานไม่ไม่นานท่านั่งนานๆนี่ท่านั่งที่สบายที่ที่ที่ดีที่สุดก็คือท่านั่งขัดสมายเพราะเป็นท่านั่งที่นั่นกายมันมันล้ำหลักมันถูกแผ่อย่างทั่วถึงกันทําให้มันนั่งแบบไม่เอ็น ไดแต่ถ้านั่งหบนใกล้เีมันรู้สึกมันมนั่งไปสักพักเดี๋ยวมันจะเจ็บก้นหรือจะนั่งการมันจะเองไปทําตใทางหนึ่งไ ด, ได้ไม่งั้นก็ไม่ไดยอมสังเก็ดูเพราะพระ้รูกปก็ละตันนะครับพระเจ้เเรูปไม่ไมก็สอนเราให้รู้วิธีนั่งสมาธิของพระเจ้าท่ามก็ น, มนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายที่หน้าตักอันนี้เป็นท่านั่งที่ เหมาะที่สุดสําหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติแบบมืออาชีพไม่ต้องปฏิบัติเยอะๆมากๆแต่สำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ๆแล้วยังไม่เคยนั่งถ้าขัดสามาบ้างก่อนมันจึงนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันเจ็บมันขัดมันมันอาจจะกลายเป็นหนึ่งปัสสาวในการนั่งขึ้นมาก็อยากพึ่งไปนั่งในท่าอย่นัไดนั่งในท่าที่เราสบายก็นั่งบนเก้าอ้ไปก็ได้แต่ถ้าเรานั่งไป น, นานปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราอยากนั่งนานๆเราจะรู้สึกว่านะ ครจะเปลี่ยนไปลองนั่งแบบท่ากัมารดูจะดีกว่าคุณคณิตาครับถ้าเราสวดมนต์ของพระนิชิเลนไดโซนินก็ถือว่าเป็นสวดมนต์อีกอย่างถือว่าทำสมาธิสติเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ถ้าสวดถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการเจริญสติคุณจ๋าครับ ขอสอบถามพระอาจารย์ถ้าเราบอกให้ผู้อื่นพูดโกหกเราจะผิดศีลข้อมูสามไหมคะเผด็จคำสั่งทาก็ดีทําเองก็ดีเถือว่าเป็นการกระทํำบาปด้วยกันผู้สั่งก็ผิดผู้กระทาก็ผิดสั่งให้เขาไปฆ่าวัวให้แล้วฆ่าปลาให้เราเออเราไปร้านอาหารแล้ว เ, าเอาปลาตัวนี้นะปลาที่ลอยลอยอยู่ในในน้าเอาตัวนี้ชี้ไปเลยแล้วก็เอาเอาปลาตัวนั้นไปฆ่าอันนี้เราก็ผิดคนฆ่าก็ผิด นน ค, คุณสวัสดีครับสอบถามเทพเทวดามีความรักหรือแต่งงานกันเหมือนมนุษย์ไหมครับเทพเทวดามันพวกที่อยู่ในในระบบของความฝันความฝันแล้วก็ฝันว่าเราแต่งงานได้ใช่ไหมวันทีเราฝันแล้วเราพบเห็นมีเมียชายที่เราชาอบแล้วเราก็ไปแต่งงานกันได้แต่งงานกันไนดะ้แต่มันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นภาพในฝัน นลกของเทวดานี่เป็นโลกของความสันมันไม่มีร่างกายเหมือนเราแต่มันก็เป็นการใช้จินตนาการคิดไปเองฝันไปเองมุ่แตกไปคุณนิทัศครับนั่งสมาธิเพื่อหาความสงบมาพอสมควรออกจากความสงบยังไม่ได้คิดที่จะพิจรารณาไตรลักษณ์และอสุภะอย่างจรงิงจังมาในระยะนี้เคยอยู่ๆก็เห็นภาพเมื่อหลับตาอยู่อสุภะ เช่นกระโหลกศีรษะในสภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังที่ออกจากสมาธิและเคยฝันเห็นผิวหนังคนเป็นชั้นต่างๆคำถามสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจคิดเช่นนี้ก็ให้พิจารณาอสุภะเมื่อเปิดตาหรือตื่นขึ้นจากฝันได้เลยใช่ไหมครับได้ถ้าเราต้องการพิจารณาอสุภะเราก็เล็กถึงสภาพที่ไม่สวยงามต่างๆของร่างกายมันจาเป็นจะต้องรอให้ภาพหลนี้ปรากฏให้เราเห็นได้มา ให้มันไม่ปลาขอดเราก็ไปเปิดดูหนังสือได้สมันยนี้ถ้าเราจะดูส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่สวยงาม mm hmm. ก็ อ, าอาวัยวะต่างๆเช่นโครงกระดูกแล้วก็พวกอวัยวะอวัยวะเช่นปอดหัวใจตับอะไรนะต่างๆเหลนี้เราสามารถเปิดดูหนังสือได้เปิดดูเพื่อใช้เราเห็นภาพแล้วก็มันจดจำมันแล้วก็คิดอยู่เรื่อยๆมันต้องมันเห็นจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจ เราเห็นร่างกายของใครเราจะเห็นส่วนอไหนด้วยขึ้นมาทันทีตอนนี้เราเห็นดัชเฉพาะทายนาฟ ก, กันเห็นร่างกายมันจะเห็นแค่ผิวหนังที่รูมหอยอวัยวะต่างๆเราจะไม่เห็นส่วนที่ถูกรูมหออยู่ที่หน้าเราเนี่ยมีผิวหนังรูมหอกระโหลกสีขาวใช่ไหมแต่เราไม่ก็เห็นกระโหลกสีขาวเลยทั้งที่มันอยู่ใต้ผิวหนังมันห่าง ก, กันแค่ไม่กี่เซนนะครับแต่มัน ม, มันถูกหนังคุ้มห่อไว้เลยมองไม่เห็นแต่เราสามารถเปิดมันได้ด้วยด้วยปัญญาด้วยวามคิด ด, ด้วยด้วยจินตนาการจินตนาการที่เป็นความจริงเราเรียกว่าปัญญาจินตนาการนี้ไม่เป็นความจริงเราเรียกว่าความฝันความเพอ้พอฝันควเพ้เจแต่ถ้าเราพิจารณาจินตนาการภาพที่เป็นของจริงนี้มันเป็นปัญญา เป็นพิจารณาถึงภายใต้ในหน้าเหล่านี้ที่มีหนังหุ้มห่ออยู่เนี่ยข้างที่มันหุ้มหอ่อมันหุ้มอะไรอยู่มันมต้องมีกะระโหกศีรษะชั้นๆอยู่แล้วภ า, ายในกะระโหกศีรษะก็ยังมีสมองอยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจินตนาการขึ้นมาถ้าจินตนาการไม่ได้ก็ต้องไปดูของจริงก่อนของจริงที่นักศึกษาทพทยก็ศึกษากัน จะเป็นภาพถ่ายหรือเป็นภาพวาด ก, ก็ได้แล้วเอามาันมาคิดอยู่บ่อยหน้าต่อไปเวลาเราเห็นหน้าตาใครก็ตาจะสวยไม่สวยจะหน้าเกลียดหรือหน้ารักพอเรามองเข้าไปข้างใ น, นี่มันเหมือนกันทุกคนคนหน้าตาสวยหล่อก็เหมือนกับคนที่หน้าตาไม่สวยไม่หล่อพอเรามองเข้าไปใต้คิภพหนังมันก็เหมือนกันมีเขามีกรลกศีรษะคุมอยู่อยภายใต้คิภพหนังเหมือนกัน นี่คือการเจริญสุขะในลักษณะต่างๆบางคนก็จะชอบดงตั้งโครบกระดูกคิดถึงโครบกระดูกไปเวลาเห็นคนเดินมานี่เห็นโครบกระดูกก่อนนะแต่วบางคนชอบดูอวัยวะอวัยวาาส่วนไหนก็ดูได้ดับไายใส่ปุมอะไรก็ได้นแล้วแต่คุณทาสครับ สอบถามครับจะทำอย่างไรถึงจะรู้สึกจริงๆถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปฏิบัติมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่เท่าทานอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันครับื่อเวลาใกล้สิ้นเดือนเมันก็อนิจจังรัไม่ใช่เงินที่ที่ใช้อยู่มันหมดต้องลองลราลองกันเดือนออกหอนเพงใจก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขแกว่า งเงินหมดเงินจะใช้นู่นใช้นี่มันก็ไม่มีนั่นก็เป็นนั่นนี่จังมันทุกข์ น, นะนนมันทุกข์ขังทุกข์เพราะว่าเงินมันเงินมันเสื่อมได้เงินเงินมันย่อกได้มนก็ผลได้เวลาต้นเดือนมัน ง, ง, งอกขึ้นมาใม่ถ้าไปดูในบัญชีธนาคารการ็นเโอนเงินเข้าบัญชีแล้วอะเงินนี้เงินเดินอกนะเดี๋ยวพอปลายเดือนเราลอ ง, ล อ, งอีกทีเงินมันกดไปแล้วนี่นี่เป็นคนที่ใช้เดือนต่อเดือนนะ มันจะสุกตอนต้นเดือนแล้วมันจะทุกตอนปเดือนเพราะมันเป็นอันนี้จังเนี่มันไม่เที่เงินขึ้นเงินลงนี่ก็เป็นอันนี้จังแต่ถ้ามันถ้ามันไม่ขึ้นไม่ลงต้นเดือนมีเท่าไหร่ปลายเดือนมัยังมีเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่อันนี้จังแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมโดยใหญ่ต้นเดือนมันจะเยอะปลายเดือนมันจะน้อยมันจะติดลบก็มีไปรูดด้วยบัตรเครดิตก็ส่งบินมาเสร็จสิ้นเดือน โอ้เป็นนี่ท่านนู้ทานี้อันนี้ก็เคียดอะไรอันนี้จังเงินหมดเงนินศูนเงินหายเราต้องเห็นเนาะมีมีได้ก็ต้องมีเสียไปเป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากจะไปมีความตื่น ก, กับสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปอย่าไปมีเงินมีทองอย่าไปใช้เงินใช้ทองอยู่กับพวกที่เขาไม่ใช้เงินใช้ทองก็คือพวกพระเขานั่นอยู่เขาไม่ต้อใช้เงินใช้ทอง ส่วนใหญยิงผ้า ป, ป่านี่ถ้าไม่ไม่ยุ่งก็เรื่องเือนทองเลยเพราะท่านอยู่ในป่าท่านไม่รู้จัาเงินไปใช้ไปซื้ออะไรคุณจิรรัดครับการทำสมาธิช่วยรักษาสุขภาพจิตของผู้ภาวนาอย่างไรคนรู้จักไม่ยอมทำทานรักษาศีลและภาวนาเลยโน้มน้าให้ไปทำบุญที่วัดก็ไม่สนใจเขาป่วยเป็นอัลไซเมอร์ค่อนข้างรุนแรงค่ะตอนนี้ คือขนาดคนธรรมดายัางยังภาวนาไม่ค่อยได้นะคนที่เป็นโรกอาากัลไซเมอร์นี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีความหวังเลย ม, มันยากแสดงว่าไม่มีสติเลยคนที่เป็นอัลไซเมอร์ในการภาวนานต้องมีสติเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักต้าไม่มีสติไม่ฝึกสติไม่ได้ไม่มีวันที่จะภาวนาได้สําเร็จก็เลยไปรอให้แก่แล้วก็านาภาวนา ที่เ้าไม่เป็นไรตอนนี้เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราไว้เวลาใกล้แ ก, กแ่ก่อนคะ่อยมาผ่านพรนะตอนนั้นมันจะไม่ทันการคุณเดอะมัลติเวอร์ชวลูนิตี้ครับหลวงปู่ ม, มั่นท่านว่ามีไม่มีไม่มี ม, ม, มีหมายถึงอะไรครับมีประโยชน์อย่างไรครับก็ใจของท่านมองสิ่งที่มีเหมือนไม่มีและสิ่งที่ไม่มีเหมือนมี ก็เกิว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่มีความยินดียนร้ายกับสิ่งเหล่านั้นมีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีคุณพัดครับคนที่มีธรรมะเมื่อโดนผู้อื่นเอาเปรียบหรือโกงแล้วเราก็ยอมไม่โกรธให้อภัยไม่เอาเรื่องแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นคนไม่ดีเอาเปรียบร่ําไปมันจะต่างกับคนโง่หรือคนที่แพ้อย่างไรคะกาเราไม่ปล่อยให้เขาเปรียบทุกตลาดไปสิ เราปล่ยก็เปัปเดตล่ามไปแล้วก็เป็นโนงหมดมีสุภาษิตเขาว่าอถ้าเข้ามาโกงเราขั้งแรกนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นความเป็นเป็นโทษของเขาเป็นความผิดของเขาแต่ถ้าเขาสามารถมาโกงเราซังขั้นที่สองได้เนี่ยเ ป, เป็นความผิดของเราก็จะเพราะว่าเราไม่รู้จักป้องกันตัวเองทำบอยให้ประวตัติศาสตร์ซ้ำรอยได้อย่งไร พอรู้ว่าเขาจะโกงเราครั้งต่อไปเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาสิใช่ไหมเราเข้ามาแล้วก็มาทางนี้แล้วเขไปทํามนู้นสิอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาคนที่มีอำนาจเขาไม่โง่หรอกแะ่เขาอาจจะถูกกกงหน้าเพราะเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งว่าถ้าเขาต้องการจะโกงเขาโกงเราได้แค่ครั้งเดียวเป็นการเขาจะคนฉลาดเขาต้องการดูใจของคนว่าเป็นอย่างไร ก็เลยตรวจโอกาสให้เขาเลือกว่า จ, จะโกงหรือไม่โกงถ้าเขาไม่โกงก็แสดงว่าเรารู้ใจว่าเขาเป็นใจที่ซื่อสัตย์เนี่ยแต่ถ้าเขาโกงเราก็รู้ว่าเขาเป็นใจที่ไม่ซื่อสัตย์เมื่อเรารู้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เราก็ยังจะไปตรวจโอกาสให้เขาโกงเราอีกเอาเปลี่ยนมามอีได้หรือเราก็ต้องหามาตรการป้องกันใช่หไหมถ้าป้องกันได้ถ้าป้องกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปถ้า <laughs> นั้นเอง แต่ไอเรื่องที่จะปล่อยให้เอาเปรียบนําไปนันเป็นแบบไม่ได้คุณคิดไปเองเขาเป็นแต่เอาเปรียบครั้งเดียวคุณก็คิดว่าจะให้ก็เอาเปรียบล่ำไปเพราะคุณไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบแม้แต่ครั้งเดียว คุณนัฐวัตรครับกรับถามพระอาจารย์ครับทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าทั้งกายและจิตไม่ใช่ของเราแล้วเราจะใช้อะไรมองจิตของเราครับในเมื่อจิตไม่ใช่ของเราครับช่วยพระอาจารย์สอนการมองจิตของเราหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไรก็ใช้ทมใช้สติสติก็ไม่ใช่เราสติก็เป็นเครื่องหนึ่งทอย่างที่เราสามารถใช้มาดูจิตของเราไนดะ้ดูกายของเรานะใช้ปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญา ปัญญาก็วิเคราะห์ดูว่าจิตนี่มันเป็นสิ่งที่เราสั่งได้หรือเปล่าเราก็สั่งมันไม่ได้ตลอดเลยทำให้มันนิ่งตลอดเวลาก็ไม่ได้มันจะไม่นิ่งก็มีมันจะไม่นิ่งก็มีไม่แน่นอนมันก็ยังอยู่ภายใต้กฎของใจนะสั่งให้มันไม่คิดสั่งให้มันคิดแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันก็คิดเรื่องดีมากบางทีมันก็คิดเรื่องไม่ดีมาก นี้ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาตามหลักของใจนะน้องก็จะเห็นว่ามันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆการคิดของของจิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปควบคุมคบังคับไปไม่ได้แต่เราอาจจะได้ในบางช่วงที่เรามีสติเราก็ให้มันหยุดคิดได้เช่นกันเออถ้าเราไม่สติแล้วก็อาจจะสั่งให้มันคิดไปทางปัญญาได้เป็นข้างเป็นค่าวแต่จะให้แม่เอามันสั่ไป ตลอดเวลาไม่ได้นอกจากว่าเราสามารถเจริญปัญญาได้ถึงขั้นเต็มร้อยสติเต็มร้อยเอานั้นเน่ยเราจะสามารถที่จะควบคุมจิตได้แต่แต่นขนาดนั้นเราก็ไม่ควบคุมมันเพราะการไป็ควบคุมมันมันก็เป็นเป็นเรื่องเป็นงานที่เราจะต้องคอยทําอยู่เมื่อเราพิจารณาดีที่สุดแล้วว่ามันมรู้ว่ามันควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันแล้วทาไ ม, ไมควบคุมมันดีกว่าหวันมันเป็นไปตามตามธรรมชาติ แล้พอปล่อยอนนมันมันก็ทธรรมชาติใจของเราไม่ไปวุ่นไวายไปกับมันนะปล่อยมันมันจะไปมันจะคิดดีคิดเชื่อก็เลื่มันแต่เราไม่ต้องไปทําตามที่มันคิดก็แล้วคุณแพทครับคนธรรมดาที่ยังเจริญสติไม่ถึงขั้นมีอุเบกขาสามารถฝึกปฏิบัติตัวให้เป็นน้ํากลิ้งบนใบบัวได้หรือไม่อย่างไรคะก็ะต้องใช้ปัญญา แถ้าใช้สติไม่ได้ภาษาเราทุกอย่างในโลงนี้มันไม่เที่ยมมันติดไปเปลีมามันเป็นหน้าตาเราไปสังมันไม่ได้ถ้าเราเห็นได้ด้วยปัญญาเราก็ใช้ใจเราก็าวาเฉยได้เหมือนกันแต่มันถ้าสติไม่ได้ปัญญามันยิ่งยากกว่าสติมันเนนพียงแตท่อวุฒโธวุฒโธคำเดียวนั่นเองแต่ปัญญานีต้องใช้ตักกัดพิจารณาด้วยตักก ขนมาเปของยากเป็นแหล่งขนันนิพพานี่ยคุณเดอะมัลติเวิร์สซลยูนิตี้ครับคําถามสองรู้จริงจรก็รู้จริงๆกับรู้รรโดยท่องจําต่างกันอย่างไรครับรู้จริงๆครับกับรู้รรโดยการจำ<ๆ>การรู้จริงๆก็เป็นปัญญารู้ด้วยความท่องจําก็เป็นสัญญาสัญญาที่ลืมได้ แต่รูต้ตามความเป็นจริงนี้ไม่มไม่ลืมอย่างเช่นมีคนถามว่าพ่อหนานี่ลืมอะไรได้ไหมก็ตอบว่าได้ลืมชื่อลืมลืมคนนั้นคนนั้นคนนี้ถ้าไม่เจอกันบ่อยๆก็เลืมชื่อก็ได้เจอตั้นานทีจาไม่ได้ว่าเป็นใครก็ได้อันนี้เรื่องสัญญาครับชื่อก็ไม่ได้นะนนนญญำนะจำเหตุการณที่ทาให้เราเคยรู้จักกันนี้เหตุการณ์อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อาจจะจําไม่ได้ ในนิวาสัญญาแต่สิ่งที่เราไม่ลืมมีอะไรบ้างก็แบบมีป้ารหัสไม่ลืมอะไรก็คือป้านิยา ส, สัตว์สีทุกสมุทัยนี่รอดมากเนี่แจะไม่ลืมเพราะมันเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาซึ่งเบื้อมต้นมันก็จะเกิดแต่ทุกขกสมุทัยแต่พอหลัาจากปฏิบัติจนจนกาจัดทุกขกสมุทัยแล้วก็เหลือแต่บ้กกันนิโรธเนี่ย แต่ก็รู้าถ้คิดไปในทางสมุทัยเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ทันทีท่านยังไม่คิดไปในทางสมุทัยอันนี้ไม่ลืม่มีไม่เป็นเอาศาสตรเมื่อไม่ลืมารียาบุคคลยังไม่ลืมว่าทริยาสัตว์สิทุกๆรูปแต่ถ้าไม่ได้เป็นทารียาสิท์เป็นปุถุชนแล้วท่องจํำเฉยๆดื่มได้เพราะไม่ได้เจอตัวจริงเพียงแต่รู้จักชื่อมันแต่ไม่เคยเห็นตัวจริง คุณน้องหลินครับหนูเคยโดนว่าน้ําตาไหลออกมาเองแต่ในจิตหนูบอกว่าจะร้องไห้เพื่ออะไรกลายเป็นว่าเราว่าตัวเราเองเคยโดนว่าน้ําตาใครว่าคนอื่นว่าว่าน้ําตาไหลออกมาเองครับแต่ในจิตหนูบอกว่าจะร้องไห้เพื่อเพื่อให้เพื่ออะไรกลายเป็นว่าเราว่าตัวเราเอง แล้วท่าจะถามอะไระไม่รู้อะไรกันอาจจะรล่าให้ฟังนะท่าคุณธนพัฒน์ครับลงทุนหุ้นทองคาแบบเก่งกําไรระยะสั้นถือเป็นบาปไหมครับถ้าเรามีการแบ่งเงินรรครับผมเอไม่บาปถ้าทําผลทำถูวกฎหมายไม่ต้เราไม่ได้ไปโกงไขทำทำไ่ทํำตามกฎหมายมันก็ไม่บาปแต่ถ้าลงทุนถ้าชวนใครเข้ามาลงทุนแล้วเราไม่เอาเงินก็ไม่ลงทุน แย่เรียกว่าหลอกลงอนนี้ป่ะแต่ถ้าเป็นเงินของเราเองเราลงทุนซื้อหุ้นซื้อทองก็เหมือนการการทําการค้ายอย่างซื้อหุ้นซื้อทองมาแล้วคิดว่าหุ้นกับทองนี้ราคามันจะสูงขึ้นแม้จากเกษตรก ร, ร, กรสมัยใหม่นี้เขาก็ซื้อล่วงหน้ากันเขาซื้อราคาไม่ก่อนใช่ไหมเพราะเขาเก่งว่าปีนี้อของมันจะแพงขึ้นหรือของมันจะถึกเพราะว่าท้องเก่งกัได้ อรเียกงถูกไม่ถูกนั่นก็เปเรื่องนึ่ใช่ไหมัางทีเกงว่ามันจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้ น, นก็ขาดถูกนะครับถ้าถ้าเกงว่ามันขึ้นแล้วซื้อมันก็กำไรคุณแพทย์ครับเรียนถามอีกข้อนะคะการที่คนอื่นมีความทุกข์มาปรึกษาแต่เราทำใจวางเฉยไม่รู้สึกตามไปกับเขาไม่ได้มีการปลอบโยนเขาจะคิดว่าเราใจดำไหมคะ ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตจานานที่เข้ามามามาปรึกษาแล้วเขาต้องการความช่วยเหลื อ, อจากเราถ้าเขามาช่วยเหลือถ้าเราช่วยเหลือก็ได้ให้บรรเทาทุกข์เขาได้เร า, ก, เาก็ควรจะทําถ้าเราไม่ทําก็เรียกว่าเรามอใจหนัขาดความเมตตา คุณรัญยญาครับการเรียนถามพระอาจาวุโสน้องที่ทํางานจากที่สนิทกันเปลี่ยนเป็นห่างเหินเพราะฟังคนอื่นใส่ความว่าเราคิดไม่ดีต่อน้องเราจะวางใจอย่างไรดีเจ้าคะก็อ น, นิจจังเลยไม่เที่ยงคนเราไม่เที่ยงรักกันได้แล้มวมันดีสี่บันไข้่บาเวลาค็าจะรักกันบางเวล า, า, าก็า เ, า เ, าเกลียดกันได้ก็คิดอยู่ว่ามไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอะความสัมพันธ์ก็ไม่แน่นอน ก็อาจจะนักเราวันนี้พรุ่งนี้ก็าจจะกดเราเปลี่ยนก็ได้แล้วก็ต้องทำใจเฉยๆว่าเราห้ามเขาไม่ได้ mm hmm. เขาจะเกียดเรากดเราก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเรามีโอกาสชี้แจงได้ก็ชี้แจงไปแต่ถ้าชี้แจงแล้วก็ยังไม่เชื่ อ, อก็ช่วยไม่ได้กระทํานั้นเองแต่เราไม่เปลี่ยนใจก็ไม่ได้แล้วก็าฝังว่าเขาจะเกลียดเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะรักเราก็ห้ามเขาไม่ได้ครับ mm hmm. วันที่รักเรามากเินไปก็น่าลำคา้างนะคอยเตือ eri. นคอยเตือนเร่อยๆยิ่งถ้าเราไม่รักเขานี่มันยิ่งยิ่งสบายเขาเกลียดเราไม่ดีกว่าเขาจะได้มันไม่ได้มายู่กับเราใช่ไหมครับวันนี้เขาเกลียดเรานี้มันยัดีกว่าเขารักเราเนะี่ย <networking> ถ้าเขารักเราแล้วเราไม่รักเขานี่มันมันทุกข์มากนะเขาจะมาคอยเตือนเราอยเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราไม่รักเขาแล้วเขาไม่รักเราก็ดีตัดคนตัดอยู่สบาย เรื่องหัวใจมันป่าเนี่ยแล้วรู้จักคิดใจหน่อถ้าปัญหาก็การไม่ไม่การเป็นปัญหาไปทันทีแต่เราคิกใจกันไม่ได้ปรับใจให้เข้ากับเหตุการณ์ไม่ทันไม่ทันการถ้าปรับใจได้ปั๊บก็สบายเขาเกียดเราก็เราเกียดเขาไปต่างคนต่างอยู่ไปแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้เราเมันดีต่างคนต่างไปก็จบ อาจารย์พูดคิดเดียวแ ล, ล้วคิดเดียวอาถ้าถ้าปฏิบัติบบายๆพิจารณาบ่อ ย, ยมันทำคลิกได้สติปัญญามันไวมันคิกได้คุณทองทิพย์ครับเรื่องขันติในธรรมทําให้งามต่างกับขันติในคารวะธรรมอย่างไรคะทาให้งาม อันนี้เราก็ไม่ทราบหเบหมือนกันนะว่าในทําหมายถึงอะไรในคาราว่าจะทํามหมายถึงยังไงต่อไปแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะบางอย่างเราก็ไม่ดูไม่สามารถเที่จะตอบได้ครับคุณดัชนครับจิตสัตว์ในโลกหรือในเอกภพนี้เหมือนพวกเอเลี่ยนไหมครับหาที่เกิดหาที่เกาะหาร่างกายมารองรับความต้องการของตัวจิตร่างเก่าเสียหาร่างใหม่เดินทางไปตามกรรมใช่ไหมครับ พอเข้าหลักศาสนาพุทธได้ไหมครับแบบนี้ก็จิตของเราทุกคนก็เป็นไอเรี่ยนเนี่ยพอร่างกายนี้ต่างไปเราจิตเราก็ต้องไปหาร่างกายใหม่จิตชุบดวงเป็นเอเรียนเวลาที่ไม่มีร่างกายเมื่นั่งร่างกายมีน่านกายก็เป็นนายเนื่นนาหนี้นางสาวนั่นนางสาวมีไปชั่วข้าวพอร่างกายตายไปก็กลายเป็นดวงวิญญาณนั่งลอยไปมึอเป็นเอเลี่ยนไปหาร่างกายใหม่ อาจจะไม่ได้ร่างกายที่อยู่ในโลกโลกนี้ก็ได้นะอาจจะมีอีกโลกหลายโลกที่มีมนุษย์อยู่ก็ได้ครับในเมื่อเราไม่สามารถหาร่างกายในโลกนี้ได้ทาใจที่เราต้องการเราอาจะไปไปหาโลกอนึ่งก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่จะถามว่าเป็นได้อย่างไรนี่ตอบไม่ได้แต่เชื่อว่าในโลกในจักรวาลนยิ่งอย่างนี้ไม่มีโลกมนุษย์ที่เราอยู่บนโลกนี้โลกเดียว เชื่อาน่าจะมีหลายโลกที่มีคุณสมบัติคล้ายคล้ายนกันที่สามารถทําให้มีบรุษย์ปีศาจในรชาญอยู่ได้เหมือนกับแล้วใจของเรานี้สามารถเดินทางสู่โลกต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพราะใจนี้ไม่มีรูปงางามต่างๆไม่มีร่างกายจังไม่ต้องใช้ร่างกายเดินทางใช้กระแสจิตกระแสจิตท่านบอกว่เพ่งแค่นึกก็ถึงแนะพวมนไม่ถึงกรุงเทพก็ถึงกรุงเทพแนบะ นึกถึงอเมริกาก็ถึงวอเมริกานะเห็นไหมนึกถึงแฮมเบอร์เกอร์ที่แบ็คดดนัลต์ก็ถึงนะน้ำลายหลายขึ้นมาทันทีนะแต่แต่ทุกโลกก็มีทุกหมดเลยใช่ไหมพ่อจันทุกโลกก็ อ, อนิจจังวินตายรักหมดทุกโลกวินตายรักหมดในขณะที่โลกไหนนั่นกายมันก็ตายรักด้วยกันกระแก่ก็ตายไม่มีโรคไหนที่ไม่มีการแกแก่ ถ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานมันต้เกิดแก่เ จ, จ็บตายแต่ถ้าเป็นเนดววิญญามันก็มันก็เปลี่ยนจากเทพมาเป็นมนุษย์จากจากพรมาเป็นเทพรออันนี้มันก็เปลี่ยนไปตามสถานภาพของของจิตที่เกิดจากบุญหรือบาปที่ทำคุณดารภรณ์ครับ คนที่ป่วยเป็นโรคอัลไซ ei, g, เมอร์เป็นคุณพ่อนะครับซึ่งแม้กระทั่งชื่อตัวเองก็จำไม่ได้แล้วแบบนี้ในฐานะที่เป็นลูกจะทำบุญเช่นไรแล้วจะทำให้ท่านได้รับบุญคะซึ่งท่านสื่อสารไม่ได้แล้วค่ะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าบุญนี้ต้องเกิดจากการกระทาของผู้กระทำเองเกิดต้องมีเจตนามีความอยากทําะคตั้งใจแลวต้องเป็นอสมบัติเข้าของของผู้กระทาเองถึงจะได้บุญ ถ้าถึงตันนั้นก็ถือว่าเป็นคนตายแล้วแลแต่ก็ยังนับบุญที่อุทินไม่ได้ต้องรอให้ตายไปกรันคุณอุมาครับหลวงพ่อเจ้าคะความโกรธแค้นเกลียดชังเมื่อฝังลึกในใจแล้วหนูยังไม่สามารถข้ามพ้นโทสะไปได้ พยายามแก้ไขแต่ก็ยังทําไม่ได้เมื่อสัญญาเกิดโทสะก็กําเริบเมื่อสัญญาดับก็ลืมได้แค่บางเวลาพยายามใช้หลักธรรมะปฏิบัติแก้ไขหลายวิธีก็ยังกําจัดอารมณ์นี้ออกไปได้ไม่หมดเจ้าค่ะขอหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนําเจ้าค่ะก็ต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วก็เข้าสมาธิบ่อยๆจนแท่งจิตเข้าถึงโอเบคาแล้วมันก็จะสามารถแก้อารมณ์หล่อนี้ได้ ถ้าถ้ายังเข้าถึงอุเบกขาไม่ได้ก็เรองมาสายสติไปก่อนทำผ่านก่อนเวลาโกรธใครเกลียดใครนี่ก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากอดเกลียดเขาคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าเราใช้ปัญญาไปก็พิจารณาว่าเราห้ามเขาไม่ได้การกระทำแปลกๆของเขานี่เป็นเหมือนดินฟ้ากับเวลาน้าําท่วมบานเราไปกรดน้ำํำเราก็ไม่กดเหมัอนใช่ไหมเพราะเราพยายามรับว่ามันเราห้ามเขาไม่ได้ มันจะท่วมมาก็าปล่อยมันทั่วไปการทำร้ายของเขากับเราแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันเหนกาให้มองแบบทุกอย่างมันเหมือนธรรมชาติเราก็จะไม่โกดเขาได้มองมองด้วยปัญญาว่าเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เราโกดเป็นธรรมชาติที่ในรูปของคนกันนะสิ่งที่ทําก็คือเสียงนั่นเองเสียงที่ทําให้เราโกดก็ด่าเราเนี่ยมัน สิ่งที่ท้าว่าเราโกรธไม่ใช่ไม่ใช่คนมันคนพูดมันแต่เสียงที่เขาพูดเราไปโกรธเสียงต่างใช่ไหมเราไม่ชอบเสียงแบบนี้ก็เหมือนเวลาลมพัดแต่เราไม่โกรธลมพัดเพราะเรารู้ว่าเราไปโกรธเขาแล้วก็ก็ไปห้ามก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้แต่ในคนที่เขาใช้เสียงทําให้เราทุกข์เราก็อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธเสียงนั้นที่ว่ามันเป็นเสียงที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ คุณวีนาครับกลับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่โดนผู้ชายหลอกเงินไปตลอดแต่ผู้หญิงคนนั้นจะได้บุญไม่คะโดนหลอกเงินไปครับก็อยู่ที่ว่าเขาเขาดูว่าถูกหลอกเป่าแล้วเขยินดีให้หอเขาเปล่าถ้าเขายินดีให้หลอกก็ก็เหมือนวับเขาทาบุญทําทานเขาดูว่า น, นี่มันหยามันมันเดือดร้อนมันต้องการเงินแต่ไม่พูดความจริงไม่ได้ก็เลยมาหลอก แต่รู้แต่ก็ยังสงสารมันอยู่ก็ให้มันไปอย่างนี้ย่ น, นี้ก็จะได้บูมแต่ถ้าไม่รู้ว่าถูกหรอกแล้ให้เข้าไปเนี้ยก็ลรารู้ว่าถูกหลอกมันจะเสียใจมากอันนี้ไม่ได้บูมมันจะทุกข์ใจแล้วกลับมาพิกใจตอนหลังได้ไหมครับอาจารย์ก็ถือว่าให้เลยถ้าพิกใจได้ก็ก็หายก็หายทุกด้านมืนกันหายเสียใจหายโกรธได้เหมือนกันพิจารยาว่ามันก็เป็นเหมือนทำบุญทำทา น, ทาน ทำบุญทำทานกันไปก็แล้วกันถ้าคิดพิากาจได้ป้ามันก็หายก่อนนะม่งั้นทุกใจก็หายไปความสุนใจก็เกิดขึ้นมาเป็นบุญขึ้นมาได้ไม่งั้นหายแล้วถืขอขโมยขึ้นบ้านอย่างนี้เอาเข้าวของไปก็คิดว่าเข้ามาขอขอเขาเดือดร้อนเขามาขอขอทานก็ให้เข้าไปถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะเป็นเป็นการทำบุญทำทาน คุณนันทิดาครับกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะหลังปฏิบัติโดยนั่งนานๆแล้วหากจะกลับมานั่งใหม่จําเป็นต้องสลับเอริยาบทเช่นเดินจงกรมบ้างหรือไม่คะหรือสามารถนั่งนานต่อได้เลยเจ้าคะก็แล้วแต่ความสามารถของเราเพราะรำดยไม่อย่างนั้นก็นั่งเลยก็ได้ถ้านั่งไม่ได้ก็อจะต้องมาเดินจงกรมมาสร้างสติให้มีมากขึ้นก่อนแล้วไปกลับไปนั่งต่อคุณจิมครับ ถ้าการโกหกของเราเพื่อช่วยให้เขาสบายใจถือว่าบาปมากไหมคะบาปมากไม่มากนะเราไม่รูนะ้แต่มันบาปนะๆเพราะมันเป็นพูดความเกีนะ่ยวบาปมากก็ <c oughs> คือถ้าเขาถ้าถ้าถ้าความเสียหายมากมันก็บาปนะถ้าความเสียหายน้อยมันก็บาปน้อยนะแตการพู้ที่จะรับความเสียหายนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครเนะถ้าไม่มีความเสียหายมคะ ก็อาจะว่าไม่บาป ก, ก็ได้แต่มันก็ทําให้เราเป็นคนที่ไม่มีสัจจะเป็น ค, คนที่ถ้าถ้าเขาดูยนภายหลังเราอาจจะเสียเครดิตก็ได้ ค, คุณวิมลครับการนั่งสมาธิถ้านั่งแบบเบาะรองนั่งที่มีที่ผัดพิงหลังจะได้ไหมคะทําให้สบายตัวมากไปหรือเปล่าคะแต่มันทําให้นั่งได้นานขึ้นนะคะ เราไม่ต้องการจะนั่งนานนั่งนั่งงานโดยไม่มีสตินี่ช่นั่งนั่งไม่นานแตนในสติดีกว่าเพราะการนั่งมันต้องมีสติหรืมว่าจิตสงบไม่นานกับจิตสงบนานแบบแบบสบายนี่บางทีมันสงบแบบคอนเฟิมากกว่ามันเหมือหลับมากกว่าแต่ถ้าเนั่งในท่าไม่สบายนี่โอกาสที่มันจะหลับมันยากกว่ายังยังไม่นิยมนั่งนั่งให้มันสบายจนเกินไป การนั่งสมาธิมักจะไม่มีที่พิงหลังมันยกเว้นในการมีของผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ชราอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ควรนะถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าเลือกที่ยังไม่ใช้ได้จะดีกว่าแต่ถ้ายังถ้ามันเลือกมันต้องมันต้องใช้แล้วพออยากยาฝึกสมาธิ mm hmm. ก็ผลมันจะไม่ดีเท่ากับการไม่มีที่ ท, ที่พิงง่ายง่เพราะเวลาไม่มีที่พิงนี่มันจะไม่สบาย ้เราต้องคอยตั้งตัวให้ตรงนี้มันก็จะทำให้เรามีสติดีกว่าถ้านั่งแบบสบายคุณสิริแอนครับชอบทำบุญทำทานมากทรมานานจนกลายเป็นนิสัยไม่จำกัดแค่กับพระกับวัดล่าสุดเพิ่งถ่ายชีวิตโครกระบือสังเกตตัวเองว่าไม่ว่าจะต้องสลัดซั์จำนวนมากเท่าใดก็ตามความรู้สึกมันเฉยเฉยเจ้าค่ะไม่ได้ปิติอิ่มเ อ, อิบอย่างนี้เป็นปกติไหมคะ ก็มันเป็นเพราะว่ามันอาจจะทำแบบาทาแบบเคยชินนะถ้าอยากจะให้มันปฏิิอิเมเอร์มัน จ, จะต้องเพิ่มปริมาณต้องทำแบบสองเท่าหนึ่งมันก็อาจจะเกิดความอิเมเออขึ้นมาหรือไปทำกับสิ่งที่มันทำให้เราเกิดความประทับใจไมคือการทำบุญในทุกรูปแบบนี้มันให้เราความสุขใจในให้การให้เรามีความสุขใจ แต่เรื่องปิติความอิม่มเอิใจนี้อาจจะไม่เกิดถ้าเราไปทํากับสิ่งที่มันไม่ประทับใจที่เราไม่ประทับใจถ้าเราอยากต้องการความปิติอิ่มเอิแล้วอาจจะต้องไปทําในสิ่งที่เรามีความประทับใจแล้วเราก็จะเกิความปิติอิ่มเอิแถมมาด้วยนอกจากได้ความสุขใจจากการทำบุญจากการเสิส่งสาระก็จะได้ความปิติความอิม่มเอิด้วยก็ได้นะครับ แ, และเป้าหมายหลักของการทำนี้ก็เพื่อให้เราได้มีความสุขใจเปน็นมากกว่าอิเบอกใจนี่เป็นของแถมมาซึ่งมันก็เป็นเกิดขึ้นได้มันมันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วในความปิติความอิมบอกใจแต่ความสุขใจนี้มันจะอยู่นานกว่าคุณวายสิบเอ็ดครับ คนเราเดี๋ยวนี้ทําไมเชื่อคนง่ายท้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนจนต้องเสียหายมากมายแต่ทําไมคนที่หวังดีกับพวกเขาถึงไม่เคยเชื่อเลยครับเพราะสิ่งที่คนหวังดีบอกว่าก็ไม่ชอบฟังนี่เขาชอบถูกหลอกเขาไม่ชอบความจริงพวกนี้อยู่ในโลกของความฝันใครมาหลอกว่าเดี๋ยวจะทําอย่างนี้จะรวยนี่เชื่อทันทีเลยนครับแต่ถ้าใครมาบอกว่า ถ้าเชื่อเขาเจ๊งเ น, นี่ยแน่หลุดตัวแน่แน่าจะจะโกรธเราทันทีเพราะเราไปทําลายความฝันของเขาคนเราทุกวันนี้บางทีมันมันมีความหวังมากไงตัวเองไม่รวยตัวเองไม่มีฐานะดีก็อยากจะหาทางรัดไงแล้วถ้าใครมีใครมาแนะนําทางรัดเนี่ยจะความั่บเลยจะเชื่อทันทีเลยนี่แหละคือคือพูดง่า ย, ายๆก็คือความโลภเนี่ยความโลภความอยากได้อะไรง่ายๆ มันจะทําให้เราเชื่อคนง่ายับราณนั้นเถอะไม่พูดคำพวกว่าโลภมากมารรามาหาย โ, าโลภมากก็จะถูกข้ อ, อหลอกไงงั้นที่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ก็หายหมดถนะูกข้อหลอกไปหมดเามา้าคําโลภมาเขารู้เราโลภเขาเลยเอาเรื่องที่เรามางรอใจเราเพราะว่าอย่างนี้เราจะได้ทำนี้ทำนี้มันก็หล อ, อกเราอพอทําทำครั้งแรกก็ได้ให้ได้ผลตอบแทน คืนมาทันทีพอคืนมาเพราะว่านี่โลกอยากได้เพิ่มขึ้นพวกแชร์แชร์แชร์ต่างๆเนี้ยแชร์ลูกโซ่ก็เป็นแบบนี้นะลงทุนกับชั้นนี้นะลงทุนปับ๊บนีผลดอบแทนใหน้เรา 20-30% เอาไปฝากธนาคารได้แค่ 2% 1% นี่พอเอาเงไปฝากกัเดือนนึ่งเขาก็ให้เราละ2 2 0่านี่เนีผ่ผลผลผลที่เราได้กลับมาก็ทำให้เราเชื่อที่อยากจะ ทำเพิ่มมาสิใช่ไหมมาทำเพิ่มเล้วไปบอกเพื่อนสูงคนอื่นเพื่อให้เข้ามาทํำตามใหม่ๆเขาจ่ายเราจ่ายเราพอสักพักหนึ่งพอเขาพอเขรู้ว่าเขาได้เงินพอที่เขาต้องการแล้วเราว่าอันตรธานยครับติดต่อไม่ได้หายไปเลยใช่ไหมใช่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวเรื่องไปไปคุณส่วนร้านอะไรร้านชาบูหรือร้านอะไร แล้วพอก็ได้เงินเป็นก้อนจากเราไปแล้วก็กอันประธานหายไปเขาเป้ามาในของเราที่มาหมุนมาจ่ายให้เราก่อนเป็นเครื่องรอดใจเราตอนนี้ทําทํากับเขาแล้วลงทุนกั่เขาแล้วได้ผลตอบแทนสูงคอนยูมันไม่ได้เป็นผลตอบแทนมันเป็นเงินที่เราไปองทุอยับเขามาคืนก่อนมาคืนก<อ>่อนครับแล้วมาเาหลอกคนได้มากพอที่เขจะได้เงินเป็นก้อนใหญ่พอพอคู่าด ก, การหลบหนีเ้าก็ไปครับอืม เพความโลภอยากได้อะไรง่ายเร็วมากมากโลภมากมากลาภหายเนี่ยสุดคนโบราณเขารู้เลยเรานีบมาก่อนเราเยอะแยะไปหมดคนเราไม่หัวฉลาดเชื่อคนโบราณนี่โกคันี่็พอกอไม่ตั้งข้ไม่ง้อก็ไม่ถูกหรอกเราจะเอาเอายังไงก็ไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวครับผ คุณจอห์นส์ครับขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ทำอย่างไรจึงจะนอนหลับแล้วไม่ฝันครับเราต้องฝึกสมาธิเยอะๆถ้าจิตสงบเข้าฌานบ่อยๆจิต น, นึ่งสงบต่อไปจะฝันน้อยคุณจงก น, นีครับการทำบุญกับมู ล, ละนิธิคนตาบอดวัดพระบาทน้ำผพุสามารถอุทิศบุญให้ผู้ล่งรับไปแล้วได้ไหมคะได้ คุณวนาครับกลับเรี komma, centre, year, ยนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการสอนนักเรียนให้มีจิตใจใฝ่ในทางธรรมในปัจจุบันนั้นยากมากเจ้าค่ะด้วยเหตุปัจจัยทางโลกที่เปลี่ยนไปมากโยมเลยเริ่มฝึกเด็กๆจากการสวดมนต์สั้นๆท่องศีลห้านั่งสมาธิในระยะเวลาสั้นๆก่อนการเรียนทุกครั้งน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วใช่หรือเปล่าเจ้าคะก็ยมีวิธีหนึ่งอย่างสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนรพนสังวรท่านก็สร้างโรงเรียนขึ้นมา ระดับม1ถึงม3แล้วเด็กมาเรียนแล้วก็สอนด้วยจริยธรรมคุณธรรม ต, รตร่างๆควบคู่คกับการเรียนทางทางโลกไปด้วยในโรงเรียนนี้จะมีสัมมาคาระวะจะ ม, มีความประดับยประเวทีมีมีความมีมีความเป็นระเบียบมีการรู้สึก ร, รู้จักช่วยตัวเองอยู่แบบสมถะเงียบงัโรงเรียนจะให้เด็กปลูกปลูกผักปลูกอะไรมาช่วยเสริมทําเป็นอาหาร คืออันนี้เป็นแนวทางของสมเด็จพระรสามมาสัรพุทธเจาที่สร้างโรงเรียนขึ้นมามันก็ให้เอาเด็กที่ยากจนเด็กที่ที่ยากจนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ยากจนมาเรียนหรือ เ, เด็กที่ครอบครัวเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่สอนจริยธรรมอยากจะให้เด็กมีจริยธรรมก็มาเรียนด้วยอาจจะไม่ยากจนไปทีเดียวแต่ก็ไม่นั่งไม่รวยเพรโรงเรียนนี้ท่านให้อยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีหมดทุกอย่างถ้า ค่ารต่างๆค่าใช้ใจ่ายต่างๆไม่ฟรีเชือกผ้าต่างๆแต่นั้นในเรื่องการสอนจริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนทางธารมโมพอท่านเห็นสมัยที่ท่านสมัยก่อนท่านเห็นโรงเรียนวัดเนี่ยโรงเรียนวัดมีจะสอนจริยธรรมควบคู่ไปด้วยแต่มาระยะหลังนี้โรงเรียนวัดถูกอ่อนเข้าสู่ระบบของกระทรวงกระทรวงนี้เขาถือระบบว่าไม่ควรที่จะเอาเรื่องาศาสนาเข้ามาสอนครับ ก็เลยขาดการเรียนเรื่องทางศาสนาไปเด็กก็เลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องจริยธรรมเรื่องศีลธรรมต่างๆท่านก็เลยคิดว่าควรจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาสักโรงเรียนหนึ่งเพื่อเอาเด็กมาศึเรื่องจริยธรรมศีลธรรมคูบคู่กับการเรียนทางด้านสามัญควบคู่ไปด้วยโรงเรียนนี้เขาจะไม่หยุดวันเสาร์วอาทิตย์เขาแค่หยุดวันกนวันพระครับแล้วก็วันพระก็จะเอาเด็กมาทำกิจกรรมที่โรงเรียน อาธิพที่วัดนะครับมาไหว้พระสดนวดมนต์มานั่งสมาธิอะไรนะไหว้พระสดนวดมนต์นี้ก็ทําประจํำวักที่โรงเรียนครมีพระไปสอนธรรมะด้วยมาทํากิจกรรมที่วัดเช่นมาช่วยพระบนบิณฑบาตมาช่วยจัดอาหารที่นั่พระนั่นมาจากเป็นณบาตขึ้นมาไปถวายพระ บ, บ, บนวัดบนศาลาอะไรมามันช่วยกว่าไปเป็นวัดมาทำศาลามาทําคุณประโยน์ให้กับทํางศาสนามาก แต่ทางวันนี้จะส่งพระไปอบรมมีการสอนมีพระจะไปสอนเด็กเรื่องจริยธรรมเรื่องศีลธรรมเนี่ยอันนี้ก็เลยขอสอบใจเข้ามาเล่าให้ฟังว่าก็ควรทีคนที่จะสอนเด็กตามความสามารถของเราเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญทําให้คนเป็นคนนะวันนี้เลยมีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมนี่เป็นเหมือนเดรัจฉานไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำไม่รู้จัก คุณคุของผู้มียรกคคนไม่รู้จักภาษาคารอะไรต่างๆนี้แล้วโรงเรียนนี้ได้ทุนยังไงะครับอาจารย์ครับได้ทุนก็ทุนในภาราคาราท่านตอนที่ท่านอยู่ท่านเป็นคนจ่ายอย่างที่มีศรัทธาญ่าโยมถวายท่านท่านก็เอามาจ่ายค่าใช้จ่ายประจําเดือนประจําปีแล้วท่านก็ท่านตั้งกองทุนไว้ก้อนครับประมาณสักสี่สิบล้านด้วยกันตอนนั้นท่านคิดว่าน่าจะพอ พออยี่สิบห้าปีก่อนนี้ค่าใช้จ่ายค่าเช้จ่า ย, าจจายมันน้อยแล้วก็ดอกเบี้ยมันสูงดอกเบี้ยเกือบสิบเปอร์เซ็นต่อปีแต่พอมายุคนี้นี่มันดอกเบี้ยเหลือแค่ไม่ถึงบาทเงินสี่สิบล้านนี่ได้ปีหนึ่งไม่<ะ>กี่ตางครับก็เลยก็อาศัยผู้ที่มีจิตศรัทธามีกําลังที่จะสนับสนุนก็บริจาะค่าใช้จ่ายรายเดือนไปให้กับทางโรงเรียนนี้ อันนี้โรงเรียนนี้ก็ยังโชคดียังไม่ต้องเอาฟอสเงินกองทุนที่ท่านตั้งไว้ออกมาใช้ ย, ยังมีผู้บริจาคพอเพียงอยีกแต่ถ้าวันในวันหนึ่งถ้าเกถ้าผู้บริจาคมีไม่พอเ็ต้อเอาเงินจากกองทุนออกมาใช้เงินสี่สิบล้านนี่ถ้ามาใช้มันไม่ไม่นานเพราะค่าใช้จ่ายโรงเรียนตอนนี้ต่อประมาณเจ็ดถึแปดล้านเจ็ดล้านกว่าต่อปีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะทั้งค่าอาหารค่า ค่าครูค่าอะไรต่างๆค่าเสื้อผ้าค่าทุกอย่างนี่ที่เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนี่ต้องอาศัยเงินบ่รยจาคมีทางรัฐบาลก็ช่วยเหลือเราบาณปีละอยล้ า, น ส, ล า, น, ลา น, น, นสองล้านล้านกว่าสองล้านแต่รอบนั้นก็ต้องหาเองหาจากผู้ที่มีมีจิศตศรัทธาบ่รยจะช่วยโรงเรียนนี้แล้วถ้าไม่พอก็ต้องไปคว้าเงินกองทุนที่ตั้งไว การปลดรล่อยบ่อยเดี๋ยวมันก็หมดครับผมคุณมาลีครับคนที่ภาวนาแล้วเสียจริตเป็นบ้าไม่ปกติเป็นเพราะภาวนาไม่ถูกผิดตรงขั้นตอนไหนคะกราบขอพระพุณค่ะเป็นบ้าเพราะว่าหนึ่งเวลานั่งไม่มีสตินะไม่นั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้จิตมันแตกไปแล้วก็แตกเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นแต่ว่าเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็น เห็นเทวดาเห็นเอ็นเห็นพรมอะไรเนี้ยแล้วก็ไปเชื่อตามความคิดปรุงแต่งมาเป็นเรื่องเป็นจริงขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนเป็นบ้าไปเพราะจริงมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องที่จินตนาการขึ้นมาของจิตเองมานั่งไปคำากินมาคิดด้วยเห็นนวนแล้วเห็นมีท้าพรมมาเข้ามาหาแล้วอะไรต่างแบบนี้อันนี้ไม่ดีคิดว่าตอนเองเป็นพระพรมขึ้นมาชาติก่อนเป็นพระพรมมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ครับ เรื่องตอนนั้เป็นหลวงปู่ก็คนอายุมไม่ไม่กี่สิบปีเรียกตัวเองว่าเป็นหลวงปู่เนาะผมคิดว่ตอนเองอดีตชาติเป็นพระพระหลวงปู่ก็กลับมาเกิดใหม่ก็เรียกตัวเองว่าเป็นหลวงปู่ทั้งๆที่ตัวเองนี่อา ย, ยุแค่ยี่สิบสามไม่ถึงสามสิบก็มีเรียกตัวเองว่าเป็นหลวงปู่เนี่เป็นบ้านะไม่มีสติครั บ, รบไม่รู้ว่าการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนั่ง น, นั่งเพื่ออะไรนั่งเพื่อควาสมสงบ นั่งเพ ร, รเ่อคมเย็นความสุบความสบายไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นอะไรคุณขวัญใจครับฝึกสติรู้กายดูความคิดดูจิตทันบ้างไม่ทันบ้างควรฝึกยังไงต่อคะให้เห็นอนหนตาพยายมฝึกสติให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วมันจะทันจิตถ้ามันถ้าไ ม, าไม่ไม่จิตไ ม, ไม่ถึงสมาธิหยุนจิตไม่ได้มันก็จะไม่ทันจิตนีะ นึกถึสติเพื่อให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้การรวมของสมาธิแสดงว่าเราถึงตัวจิตแล้วเราทันจิตแล้วเราหยุดมันได้ถ้ามันยังไม่สงบนี้แสดงว่าเรายังขับไล่อยู่เหมือนจับวัวจับควายนี่ครับไมจับสัตว์นี่ถ้าเราจับมันได้เราก็จับมันมัดไว้กับเสาให้มันอยู่นิ่งๆได้ครับแต่ถ้าเรายังต้องคอยตามไล่จับมันอยู่มันยังไม่อยู่นิ่งๆนี่แสดงว่าเรายังจับมันไม่ได้ ไม่ทันมันถ้าไม่ทันมันดูมันยังไงก็ไม่ทันมันมันโกรธก็ไม่ทันมันนะมันโลภก็ไม่ทันมันมันไปทําบาปแล้วก็ไม่ทันมันนะเพราะนันวิธีนี้ทําให้มันทัดนก็ต้องฝึกสติเยอะๆให้มีพุทโธเยอะๆแล้วเรนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนพอรวมนะมันจับจิตได้แล้วพอมันเริ่มคิดปั๊บนี่เราก็คอยตะบมันได้ทันที แต่นอนที่มันคิดอยู่แบบยาวๆเร็วๆนี่ไปหยุดมันไม่ได้ไม่ทันครับคุณเดอะมัลติเวอร์ชัูนิตี้ครับถ้าไม่มีเราจะอยู่ได้ไหมหรือจะตายไหมแล้วใครจะตายครับไม่เราไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีเรามันก็อยู่ของมันได้ร่างกายก็มันก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้ไม่มีเรามันก็อยู่ได้ใี่ไหมต้นไม้มันก็ทําจากดินน้ามูลไฟ ร่างกายนี้มันก็ทําจากดินน้าลมไฟมกันไม่ต่างกันเลยมันก็อยู่ของมันได้แต่ว่าถ้ามันไม่มีจิตมาคอยสั่การมาเลี้ยงมันมันก็อยู่ต่อไปไม่ได้ไม่มีใครดูแลมันเลยงดูมันมันก็ต้องตายแนี้แต่จิตที่มาดูแลก็ไม่ใช่เราเองจิตก็เป็นจิตผู้รู้ผู้คิดแต่เไปสมมุติว่าเป็นเราขึ้นมาทำเออาวิชาโมหะมันมาหลอกให้เราคิดว่าจิต ผู้รู้ผู้คิดนี่คือเราผู้ที่มาดูแลร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ความจริงก็ไม่มีหรอกมันเป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธาตุสี่ในน้าลงไปกิจก็เป็นธาตุรู้ธาตรู้ผู้รู้ผู้คิดที่มามากี่กับดูแลร่างกายมสาสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนั่นเองถ้าไม่มีผู้รู้มาเกาะติดอยู่ร่างกายก็จะไม่สามารถเจต ร, ต ร, เริญเตับโตและและอยู่ได้เพราะไม่มีใครมาคอยดูแล คุณรังสรรค์ครับพระพุทธเจ้าทรงสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นใหมครับไม่รู้เหมือนกันไม่อยากตอบคุณรัชวินครับการสอบถามครับเวลานั่งสมาธิหรือปกติไม่นั่งจะมีอาการกลืนน้ำลายตลอดมีวิธีแก้อย่างไรครับเพราะเวลานั่งเหมือนอาการจะนิ่งแต่จะมีการกลืนน้ำลายทำให้ไม่สงบนิ่งครับแต่ผมเข้า Google ดูเป็นอาการของกดไหล ย, ย้อนและผมก็เป็นอยู่ครับ ไม่ต้องสนใจหรอหนะนั่งสมาธิให้สนใจอยู่กับลมไม่พูดโธยอย่างเดียวส่วนมันจะคืนหายใจน้ำถ้าเราไม่คืนน้ำลายแล้วมันจะไหลออกมาทางปากก็ปากมันไหลไปไม่ต้องไปกังวลกับมันถ้าเราไปกังวลกับมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ยอย่าคอยคืนน้าลายอยู่ด้วยถ้าเราต้องการผ่านอันนี้เราต้องปล่อยน้ำลายปล่อยบันไหลไปถ้ามันจะไหลก็ปล่ยมันไหลไป อาจารย์ที่ผมเคยเป็นอย่างเงี้ยมันกันแลยวเรียนถามพระอาจารย์ไว้อะครับตอนนี้มันก็หายแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ไหลออกมานะครับพระอาจารย์มันก็แท่ไม่ไม่ได้สนใจเราไปสนใจมันแล้วมันนิ่งทำให้มันเกิดอาการเพอมากขึ้นถ้าเราไม่สนใจมันก็มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรมันกไม่ได้รู้สึกอะไรครับแม้แ่อาการคันก็แบบเดียบมันคันถ้าเราไม่ไปสนใจก็เดี๋ยวมันก็หายไปเอง แต่เราไปสนใจม gagner, person, <S <s ันย yes ิ young, like wants, wants, like ่งยิ all, ่งคันยิ่งอยากคันใหญ่ยิ่งอยากคันมันจะสยิ่งคันใหญ่มันเลยรู้สึกทนไม่ได้ต้องคัดต้องเกาอยู่ในใครับงั้นมันคันก็อย่าไปสนใจโทพุทโธไปดูลงไปมันเจ็บตองนั้นปวดตอนนี้ก็เหมือนกันอย่าไปสนใจแล้วมันจะหายไปของมันเองมันจะไม่มารบกวนใจเราครับถ้าเรามีพุทโธมีสติอยู่กับลมหรอยู่กับพุทโธแล้วมันทุ่อย่างมันจะไม่เป็นปัญหา คุณคณิตธาครับถ้าเราไม่พอใจแฟนแล้วเรานิ่งเฉยจะทําให้ดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะถ้าเราไม่ไปพูดอะไรมันก็จะดีกว่าพูดอะไรเวลาเดี๋ยวาอาจจะกลายเป็นการทะเลาะ ก, กันซึ่งจะร้ายแรงกว่าความไม่พอใจของเราให้เราคิดว่าความไม่พอใจมั น, เ, เ, มมมนเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนเราอยู่ด้วยกันอย่นิ่งกับฟันบางทีก็มีกระทบกระทบกันได้าจะให้เขาทํามาทุกอย่างให้เราพอใจมันย่อมเป็นไปไม่ได้ เรารู้จักมีการแบ่งรับแบ่งสู้กันบ้างให้อภัยกันบ้างย่านี้เราไม่ได้อยู่กันได้ถ้าเราต้องการเขาทะไรทุกอย่างให้เราพอใจตลอดเวลาพอเขาไม่พอใจแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาแสดงอาการขึ้นมาเดี๋ยวเขาไม่จทนอยู่กับเราไม่ได้นและเราอย่าไปโทษเขาที่เขาทิ้งเราเพราะเราไปทําตัวยเขาทิ้งๆๆเราเพราะเราไปทำให้เขาไม่พอใจด้วยแต่ถ้าเราไม่แสดงอาการออกมามันก็ผ่านไป เราไม่พอใจมัก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมนะเดี๋ยวพอเขาทำอะไรที่เราพอใจแล้วก็ล like, er. we ืมนะแล้วก <Wow. S 3> ็ชอบเพราะล่าเขานะนันเราอยู่ด้วยกันเราต้องอย่อมแล้วว่ามันต้องมีบ้ากเวลาที่ทําอะไรบาข้งมากร้าวก็อาจจะมีความไม่พอใจกันบ้างทั้งเราและเขาวันที่เราก็ทํางานให้เขาไม่พอใจก็มีแต่ก็อาจจะไม่พูดตก็ได้เราก็คิดอย่างนี้คถ้าไม่พูดอ่ะดีที่สุดแต่เรามีความรู้สึกไม่ดีจากการกล้าจะ หลบๆกันอย่าไ ป, ปเผชิญหน้ากันให้เราให้มีความรู้สึกที่ดีก่อนเป็นปกติก่อนแล้วค่อยมาเผชิญหน้ากันคุณเอกชัยครับจิตผู้รู้ความคิดคือสิ่งเดียวกันไหมครับคือจิตมันทำได้สองอย่างมันทําได้มันรู้ด้วยเนาะมันก็คิดได้ด้วยข อ, ขออีกสักคาถามนะครับพี่สันครับ วันนี้ถามไปได้ถึงตอนสามทุ่มสิบนาทีครับเวลาสุดท้าย <ใน S 1> ครับ<น>ตอนนี้สามทุมคึ้นนะครับวัด<น>ส่วนใหญ่สร้างแต่อาคารสถานที่สร้างวัตถุมงคลไม่สอนทำคนเชื่อสิ่งที่เขาบอกว่าจะทําให้รวยเราจะช่วยศาสนาได้อย่างไรครับเราก็ศึกษาปฏิบัติของเราฝ่ายแล้วกันทำเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนที่พระเจ้าเลยสอนศึกษาและปฏิบัติ แล้วก็ไปสอนคนหนึ่งให้ศึกษาปฏิบัติต่อไปแต่เบื้องต้นเราต้องศึกษาปฏิบัติให้บรรลุได้ก่อน่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นงานเพราะถ้าเราไม่บรรลุเราไปสอนคนอื่งมันจะสอนด้วยกิเลสแล้วเขาจะรับเราไม่ได้เพราะเราจะมีเป้าหมายบังคับให้เขาเขาเรียนแต่ถ้าเราไปสอนเขาแบบไม่มีกิเลสนี่สอนด้วยเหตุด้วยผลเขาจะยินด้วยฟังแล้วเขาอาจจะเกิดศรัทธาอยากจะเรียนเองต้อง mm hmm. ทาให้เขาอยากจะเรียนเองอยากเป็นบังคับ ถ้าเขาได้ยินได้ฟังทำว่าเรียนน้ำปฏิบัติเราจะได้อะไรเขาอาจจะเกิดศรัทธาอยากจะเรียนน้ำปฏิบัติตา่างเราได้ดังนั้นเราก็ต้องยึดหลักแล้วเรื่องของศาสนาที่พระเจ้าได้เป็นผู้กระทำมาขั้นต้นศึกษาปฏิบัติบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมแล้วก็ถ้อยแผ่สั่งสอนต่อไปได้พระเจ้าทําแค่นี้นะอายุขอ ง, อง์พระเจ้าที่มีควาเชื่อของพระเจ้ามา พระเจ้าวรรลุธรรมและะแ้วแสดงธรรมคนก็เชื่อนำมาปฏิบัติบรรลุ ก, กันเยอะยะเลยหมดเอาบรรลุ ก, กันเลยไปช่วยกันเผยแผ่สังสารไปยุคแรกๆ น, นี้ไม่มีถาวลวัตถุเลยน ะ, ะนามีแต่พระอริยทํามเดินไปนที่ไหนก็ชอยกับพระอริยไม่สวดาก็สกิรนาคาไม่สกิรนาคาขอานาคาข้า น, า, น, า, นาคาก็อะไรเต็ไมไปหมดยุคทกนึยุคทีงสองศาสนายุคที่มีพระพทเจ้าจอยู่ พระเจาเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนาวิแต่สอนไม่เคยสร้างบุถสร้างเจ ด, ดีไม่เคยสร้างวัดหลวงพระเจ้าไม่มีตอะที่แสดงว่าพระเจ้าสร้างวัด น, นั้นสร้างวัด น, นี้สร้างโบสถนั้นสร้างโบสถนี้ไม่มีมีแต่ศรัทธายายวยของผู้มีเงินมีฐานะสร้างถอยเท่านี้ครับอาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังจากเฟซบุ๊กหกร้อยสี่สิบเจ็ดคน ใน y ยูทูบ851คนในคาร์เพาซ์26คนนะครับมีเพื่อนเพื่อนฟังทําด้วยกัน 1,524 คนครับอาจารย์ครับยินดีวันนี้ตอนบ่ายก็รวมกันพันพันหนึ่งรอยกว่าอาจจะฟังฟังตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็เลยอาจจะไม่ได้มาฟังรวมเลยเพราะอาจจะมีกลุ่มที่ร่วมที่กลุ่มที่ฟังทั้งสองรายการก็มีตอนบ่ายฟังก็เหมือนกันบางทีถ้าบางทีตอนบ่ายของฟั่งแล้วบางทีตอนเย็าอาจจะข้ามไปก็ได้ แต่ก็สุดแท้แต่มม่เป็นไรมีมากมีน้อยเราก็ต้องพูดมกันมีคนเดียวเราก็ต้องพูดเหมือนกับไม่ไม่สําคัญว่าเราไม่มีอรจริงเราไม่มีรายได้จากการจากการพูยของเราเพียงแต่ว่าถ้าคนฟังมากก็ทำว่าได้ทําคุณประโยชน์มากถ้าคอย่างนี้นได้ทาคุณประโยชน์ให้กับผู้ฟังงนั้นเีงในเรื่องผลผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมานี้ไม่เคยคิดถึงเลยเพราะไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู ได้มาก็ไม่ได้เก็บไว้เป็นของเราอยู่ะง mm ั hmm. ้นจะได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาเล mm hmm. ที่ถามนี่เพื่ออยากจะทราบจํานวนอะไร mm hmm. ทราบการเคลื่อนไหวของของผู้ติดตามว่ามีมากมีน้อยทั้งยังไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์จากตรงเลขเหล่นี้ครับโอเคนะ mm hmm. ก็คพเว่าพอสมคปรคำหยอกขืนนี้ mm hmm. ก็ขอให้ท่านจงนำมาเสด็จที่ท่านได้ยินเได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ ข, าขอราคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรานควรจะได้พบกันอีกในอาทิตยหน้าเวลาเดียวกันครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ